อาชาปาระโมปาคตุอนุตโรมหาเซโคสาชาปารังนามามิตังรัตมิชาเรหิโชตันโตมุจรินเดหมหาเสเรราวีราชาวโยนโท สถานาหังนามิตาหังฮาตาวิโชคุณาธโรราชายตนาปาทเปงฮเวนิสีทิรคียาสถานาหังนามิตาหังตอมเรณอริงหันตวา มีคาทายะหังมหาวันหังโตเซตวาาอุปังคันชีมหาชินหังนามมิตะหังพระจอบุณีผู้ประเสริฐมีพระสมีก่าวคือฉพันณรังสีแผ่ซ่านมีปุญญาพิเนหันอันยิ่งใหญ่เสด็จไปสู่ควางไม้อัชชาปารณีโคตร ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมโนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยควงไม้อัชปารณิีโคตนั้นพระนาถเจ้าพระองค์ใดรุ่งโรจน์อยู่ด้วยคายแห่งพระสมีกาวคือพระชพนรังสีสวยมุติสุขใกล้สระน้ำใหญ่มุจรินดุดผ้าทิ์จอมนักสัตว์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสระใหญ่มุจจินนั้น พระบรมศาสดาทรงกำจัดอวิชชาคือความมืดบอดในกระแสชีวิตทรงคุณธรรมหาที่สุดมิได้ไปนั่งนั่งประทับนะด้วยพุทธสรินัควงไม้ราชายตนะก่าวคือไม้เกศข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่แห่งนั้นพระชินเจา้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกำจัดศัตรูคือกิเลสได้หอกคือพยาน ยังอุปการชีวกให้ชื่นชมแล้วเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนะมริคทายวันอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเอือเ้อเฟื้อพระบรมศาสดาผู้ทรงเดชชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จถึงป่าอิสิปตนมรคทายวันโดย ส, สดิภาพทรงสแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นเบื้องแรกแก่พระปัญจวัคคีโดยชอบ ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปกครองหมู่สง์มีพระปัญญาอันใหญ่หลวงประทานอมตะธรรมแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยวิหารเชตวันแห่งนั้นขอเจริญพรญาติโยมทุกๆ ท, ท่าน ที่ตั้งใจในการที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในการมานับถือบูชาพระรัตนตรยัยถ้าสังเกตได้จะเห็นชัดว่าตอนสมัยที่พรมมายุพรามสมัยที่พระบรมศาสดาจะลิกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมด้วยพิุภิกษุสงหมูใหญ่นั้น พระมายุพรามเป็นพราหมู้ใหญ่เป็นพราหมู้เท่าในเมืองมิทุลาแควนวิเทหะเป็นพราหมู้เท่าไวยชลาอายุร้อปีโดยรอบนะรู้ไต่เพศเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายทั้งคดีโลกชำนาญมากโดยเฉพาะก็คือชำนาญในคำพีมหาปุริสระขนาด32ประการและนุพยัญชนะ80 ทางผู้เท่านี้ได้ยินกิตติศัพท์อันงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณนะเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้แสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศสัจธรรมคําสอนกล่าวคืออริยสัจธรรมทั้ง4มีความไพเราะถึงพร้อมเล็กอัฏฐะและพยัญชนะยังเวนัยศัสตร์ให้พ้นจากวัตทุกขหาประมาณมิได้เกียรติศัพท์อันงามของพระบรมศาสดาก็ขจรกระจายไปว่าพระบรมศาสดานั้นมีความงามในพระจริยาคุณบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างไกล อย่างยาวไกลในสังสารวัฏและพระบรมศาสดานั้นทรงบําเพ็ญทานบา ร, รมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสจัจจะธิฏฐานเมตตาและก็เวขาบำเพ็ญอุ ป, ป, รปร บ, ป ร, มบ ร, รมีสิบบรมัทธบารมีสิบอย่างยาวไกลที่สุดจริงๆด้วยการบําเพ็ญพระบา ร, รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสั้นุตระสัมมาสัพพดียาจ ร, จริงด้วยก็แปลว่าพระบรมศาสดานั้นทรงฝึกตนเอง พัฒนาตนเองจนที่สุดจริงๆพระเจ้าก็เป็นพระตถาคตครามผู้เท่าได้ยินเกียรติศัพท์อันงามของพระผู้มีพภาคเจ้าอย่างนั้นก็ตั้งศรัทธาไว้ในพระตถาคตระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ด้วยการที่ตนเองเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้มีวิชาการความรู้มากกลัวว่าถ้าหากตนเองจะไปก่อนโดยชนิดที่ว่า เมื่อตอนเองไปนับถือแล้วด้วยความที่เป็นตนเองมีชื่อเสียงกระชอนไปทั้งเมืองมิธุลามิุลาเนี่ยวันวิเทหะเราเป็นพราหููเท่ามีวัยชรลาอายุร้อยี่สิปีถ้าเราจะศรัทธาท่านผู้ใดเนี่ยเราจะไปศรัทธาเลยทีเดียวไม่ใช่เราเป็นแน่แท้อยากาันั้นเลยเราจะส่งลูกศิษย์ให้ไปตรวจสอบดูก่อนว่าลักษณะอันงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมหาบุริษลักษณะ32ประการจริงหรือไม่ เพราะเราก็รู้นี่ลักษณะของมหาบุรุษเราก็รู้นี่ลักษณะของบุคคลที่จะยิ่งใหญ่ในโลกทั้งเทวโลกทั้งพรหมโลกถ้าอะไรเราจะต้องส่งโลกสิทธิ์ของเราไปเมื่อท่านคิดอย่างนั้นเบดเสร็จทั้งๆ ท, ที่ใจท่านน่ะก็เชื่อมั่นว่าถ้าสมบูรณ์ด้วยมหาภูริสลัขณะเราจะศรัทธาตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนี่แปลว่าอะไรเขามีข้อมูลมีความรู้เนี่ยเขาก็ตั้งท่าทีเป็นแต่ไม่ใช่ตั้งท่าทีแบบปิดใจนะ งท่าทีแบบเปิดใจโดยการที่ว่าเอา้าถทาอย่างนั้นส่งลูกศิษย์ไปตรวจสอบดูก่อนก็เลยฝ่ายส่งอุต ร, รมามนพเนี่ยเพื่อต้องการไปตรวจสอบดูว่าจริงตามกิติศัพท์ที่เขาเล่าหรื อ, รอไม่ว่าพุรธเจ้านั้นมีเสด็จออกบวชเป็นพระราชาออกบวชจริงและต่อมา็พรพองค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยมหาพธ ร, รขนาดสาสองประการถ้าบริบูรณ์จริงๆเนี่ยต้องเป็นพระเจ้าแน่นอนเดิม ฝ่ายอุตรามานพรับคำของอาจารย์แล้วก็ติดตามไปจนเข้าเฝ้าพระบรมศ า, ศาสดาเฝ้าสังเกตตรวจตราพวรรากายทุกส่วนบางส่วนที่เห็นยากนดูทุกส่วนก็ตรวจสอบตามตำราที่ตนเองเรียนมากับอาจารย์ตรวจสอบแต่ละทีแต่ละลักษณะก็ทึ่งทึ่งในความงดงามความวิจิตของพระสรีระคุณ ความงามที่บอกตรวจสอบดูว่าเออเนี่ยมีพระเมวรีอย่างนี้มีพระนาศิกอย่างนี้มีพระเนตรอย่างนี้มีพระกันอย่างนี้มีพระนาลาดอย่างนี้มีพระโอทอย่างนี้มีรำพวสออย่างนี้เป็นต้นก็ตรวจสอบทุกสัดส่วนในพระวรากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ในการใช้เวลาตรวจสอบตามพุทธเจ้าอยู่เจ็ดเดือนนะดูทุกเอียบด ต้องการอยากจะรู้แล้วก็ต้องการไปบอกอาจารย์องตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เฝ้าสังเกตตรวจตารู้รากายทุกส่วนบางส่วนที่เห็นยากไม่สามารถจะเห็นได้เช่นพระชิวหาเนี่ยไม่เห็นพระผู้มีพระเจ้าคงแสดงอิทธาภิสังขารแสดงโดยลิศแสดงลิศให้ดูว่าเนี่ยเรามีลินแบบนี้ เราเห็นน้ำใจอันงามของพรพุทธเจ้าเห็นพระมหากราุณาธิคุณของพุทธเจ้าไหมถ้าพวกเราจะมีศรัทธาเนี่ยแล้วมาต่อรองกันมาบอกว่านีมนทาพนพระคุณเจ้าแลบลิ้นให้ดูก่อนจะถึงจะฟังทำทำว่าทำว่าจะกล้าไหมแล้วขอดูบางส่วนที่ที่อยากจะเห็นก่อน ว่าเออเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยไม่ประถ้าหากเป็นความสวัสดีนะแต่ถ้าท่านพูดดูดูแล้วเนี่ยจะมีศรัทธาในพระธรคตเชื่อมั่นว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงและน้อมใจที่จะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมและจะได้บรรลุเพื่อประโยชน์แก่การที่จะเป็นปุรจากปุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนพระพุทธเจ้าให้ดูเลย แม้ของลับก็ให้ดูในดอยลิ์นะท่านอุปมาอย่างไรรู้ไหมปกติเนี่ยเราเนี่ยที่เป็นยอมผู้หญิงเนี่ยนะปกติในเวลาตั้งคันเนี่ยสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้ใครดูแล้วก็เือของหวนของหวงนะแต่ถ้าเพื่อความสวัสดีของบุตรเนี่ยยอมให้หมอดูนะเ็าจะพาตัดเนี่ยนี่เพื่ออะไรเนี่ย เพื่อความปลอดภัยของบุตรเพื่อความสวัสดิภาพของบุตรเพื่อความเจริญงอกงามของบุตรแม้ชั้นใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างนั้นนั่นแหละถ้ามีใครสงสัยในพระวรากายของพระผู้มีพภาคเจ้าสัดส่วนไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นดูแล้วจักได้ตัดสรู้สัจจทั้งสี่พระผู้มีพภาคเจ้าก็ยอมที่จะเปิดให้ดูนะนี้แหละคือพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพรภาคเจ้าว่า เพราะบรมศาสดานั้นบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อพวกเราจริงๆเลยนะไม่ใช่เพื่อใครอื่นเลยเนี่ยแต่ทําไมเนาะสัตว์โลกนี่นะจึงไม่ยอมปล่อยศรัทธาไปในพรัตถาคตเหตุที่ไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้จักคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้อย่างไรที่สุดจริงๆเนี่ยนะท่านก็แสดงอิทธิด้วยฤทธิ์ให้เห็นบางอย่าง ก็ไม่ต้องแสดงลทิ์เพียงแต่เปิดโอกาสให้เห็นอย่างธรรมดาในขณะเดียวกันก็ได้สอบสวนมหาภูริลักษณะที่ปรากฏในพระวรากายของพระเจ้าจนครบทั้ง32ประการนอกจากนั้นเมื่อตรวจสอบพบเบเยเสร็จแล้วมานพก็ยังไม่ไว้วางใจไม่ใช่ไว้วางใจว่าเออท่านผู้นี้เป็นพระเจ้าจริงนะมานพนั้นยังเฝ้าติดตามดูอยู่ทุกียาบทต่าง แม้ในขณะ ด, ดำเนินแม้ในขณะประทับนั่งแม้ในขณะประทับยืนแม้ในขณะบรนทมบันทมก็แอบเข้าไปดูในพระคัมภนร์คดีของพระเจ้านะว่าพระบรมศา ส, าสดาทรงบันทมอย่างไรเนี่ยถ้ามีใครมาแอบดูเราอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีความารู้สึกยังไงต้องการอยากจะถ้าลูกศิษย์ล้วเนี่ย บอกทางนั้นไม่ยอมเรียนเราขอดูก่อนว่าเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์เขาไหมเนี่ยจะว่าไงแล้วอึดอัดไหมนี้พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณนะแม้ในขณะยืนแม้ขณะในดําเนินประทรับนั่งบรรทมสวยกยาหารและอาการที่ประทรับอยู่ในท่ามกลางบริษัทหรือแม้ในขณะที่กําลังตรัสพระธรรมเทศนามาน็นี้ก็ตรวจสอบดูหมด อุตรามานพในตรวจติดตามดูพระพุทธเจ้าโดยละเอียดตลอดเวลา7เดือนเจเดือนเนี่ยดูทุกสัสดส่วนศึกษารายละเอียดเบ็ดเสร็จหมดจึงกลับไปเล่ารายละเอียดให้ในเกี่ยวกับมหาปริสลักนาสามสิบประการและพอระกายตลอดถึงยาบทน้อยใหญ่ของพระพุทธเจ้าให้ท่านพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้ทราบทุกประการพออุตรามานพนพกล่าวจบ ท่านพราหมพร ม, มายุพราหมณ์ซึ่งนั่งฟังอยู่ก็ลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางทิศที่พระบรมศาสดาประทับแล้วก็เป่งอูทานบอกว่านะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้กไกลจากกิเลสตัสรุษชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ นี่ไงที่เขาเกิดศรัทธานอบน้อมและที่สุดจริงๆฟังธรรมท่านผู้นี้ได้บรรลุด้วยนี่ต้องการชี้เห็นว่านี่ไงการที่เขาเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยพอเขาเชื่อมั่นเบเสร็จเนี่ยเขตัดความลังเลสงสัยชัดเลยพอส่งลูกศิษย์ไปปุ๊บลูกศิษย์กลับมาบอกตรวจสอบเบเสร็จว่าท่านผู้นี้เป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นพุระเจ้าแน่นอนแล้วเราล่ะ ฟังพระธรรมคําสอนของพระบระมาศ า, าสดามาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราปรารถนาที่จะประคองอัญชลีนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหมว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราคิดอย่างนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่เออถ้ามองอีกอย่างหนึ่งนะสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ในขณะนั้นพระองค์ก็ทรงแวะพักณหมู่บ้านชื่อว่าปัจจลกับปะในขณะที่ประทับอยู่ที่ป่ามะม่วงของโตทยพราหมครั้งนั้น น, น่ะนางทนนางธนัญชานีนางธนัญชานีพราหมีเป็นพระโสดาบันนะเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัย ย่เราสังเกต ด, ดูนะว่าลักษณะข้อปฏิบัติของนางธนัญชานีพราม์เนี่ยซึ่งท่านเป็นพระดิบุคคลชั้นต้นแม้ในขณะไอแม้ในขณะจาแม้ในสะดุดลื่นหกลม้มก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานวันนะโมพุทธศัขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกครั้งเราลองนึกถึงสภาพความคิดของเราดูที ว่าในขณะที่เราหกล้มสะดุดไอาจามเนี่ยเราคิดถึงใครเรามีไหยเรามีพระเจ้าอยู่ในใจอย่างเธอไหมมีไหมนโมพุทธะนโมพุทธะตกใจทุกข์ใจวิตกกังวลเศร้าโศกหรือมีเรื่องไม่สบายใจหรือแม้ในขณะมานั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ย เราคิดนอบน้อมพระเจ้าไหมถ้าคิดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าทีนี้ถ้ามองอย่างนี้แต่สามีของเธอเนี่ยชื่อว่าพารัวาชาเนี่ยนับถือพราหมณ์นี่เป็นพราหมณ์เนะวันหนึ่งสามีของเธอเนี่ยของนางประสงค์จะเลี้ยงอาหารพระห้าร้อยลูกก็ขอร้องนางว่า เอาละวันวันที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่ได้ห้ามเธอเลยนะในกรณีการที่จะกนอบน้อมพุทธเจ้าน้โมพุทธศาเนี่ยแต่บอกว่าในวันที่พรามเนี่ยนะห้าร้อยเนี่ยมาเนี่ยมากินอาหารมารับประทานอาหารบ้านเนี่ยเพราะเป็นพระที่พ่อนับถือแม่อย่ากล่าวคำว่าน้โมพุทธศาได้ไหม อย่านอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่เพราะว่าเว้นสักหนึ่งวันจะได้หรือไม่อันนางจะว่าไงถ้าอย่างเราเนี่ยสามีบอกเออตั้งแต่ไปอบรมมาเนี่ยนอบน้อมพุทธเจ้าทุกวันเลยเดี๋ยววันนี้จะจัดงานเลี้ยงขอสักวันหน่อยได้ไหมอย่าร้องเรียกพระนามของพุทธเจ้า เราจะบอกไงโอ้เต็มใจมาตั้งนานแล้วใช่ไ้มล่ะใช่ไหมใช่ไมมากเราเป็นอย่างนี้นะยอมมาจริงไหมเอาวันนี้จะจัดงานเลี้ยงหน่อยเนี่ยห้ามนะในระหว่างงานเลี้ยงเนี่ยเพราะเพื่อนของเราเนี่ยไม่ชอบคำว่าพุทธเจ้าเลยขอลองสักวันหนึ่งเวลาจะเดินจะหกลม้มหรือจะ จะไอจะแกะแอมจะหยัดยยท่องหนา้าโมพุทธะได้ไหมจริงๆก็คือถ้าอย่างเราก็ได้เพราะกลัวพามจะโกรธแต่นางไม่ยอมโดยกล่าวว่าโดยกล่าวว่าพ่อพระรัตนไตรเนี่ยเป็นทั้งหมดชีวิตของฉันไปแล้วทำไมฉันต้องจัดการงานดีในการทำหน้าที่ ของความเป็นภรรยาเนี่ยทําไมฉันต้องส่มคบคนข้างเคียงของสามีดีทําไมฉันต้องขยันเกียรติไม่เกียรติค้านในกิจการทั้งปวงทําไมฉันถึงไม่ประพฤตินอกใจทําไมฉันปฏิบัติท่านด้วยปฏิบัติพ่อแม่ของท่านด้วยทําไมฉันต้องทํากิจการดูแลกิจการในบ้านอย่างดีเลยตั้งแต่เช้าจรลดเย็นเนี่ยรู้ไหมว่าทําไมฉันทําอย่างนั้น นั่นไงเพราะว่าธรรมรัตนะเนี่ยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะมันอยู่ในกระแสชีวิตของดิฉันแล้วเนี่ยถ้าจะห้ามไม่ให้ฉันปฏิบัติหน้าที่ขยันในกิจการทั้งปวงหรือจัดการงานดีสงครา์คนข้างเคียงของสามีเป็นต้นถ้าจะห้ามไม่ให้ฉันไม่นอกใจจะห้ามว่าไม่ให้ฉันดูแลกิจการการบ้านเบ็ดเสร็จก็คือไม่ให้ขยันในกิจการทั้งปวงหรือทํากิจในฐานะที่จะเชื่อมประสาน ในการที่จะทําให้ตนเองเดินไปในเรื่องของการส่งเคราะประโยชน์ในกลุ่มญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยดิฉันก็ทําไม่ได้เพราะว่าพระธรรมรัตนะมันประชมอยู่ในใจพฤติกรรมของดิฉันที่แสดงออกมาก็คือกลุ่มของเป็นสังฆรัตนะไปแล้วแปลว่าอะไรเนี่ยแป่พระรัตน์ตรายเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวไปเสร็จแล้วฉะนั้นท่านจะห้ามฉันไม่ได้ท่านจะตัดเนื้อฉันออกไปชิ้นชิ้นก็ไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าหนึ่งท่านจะไม่ให้ฉันกินอาหารเพราะฉันเห็นว่าพระราตนตรตยกับทรับเนี่ยพาราตนาไตรเน่าประเสริฐกว่าทรัพย์ถ้าฉันท่านจะตัดเนื้อฉันไปเป็นชิ้นๆฉันก็ไม่ว่าเพราะพระราตนาไตรเน่าประเสริฐกว่าอวัยวะท่านจะตัดขาจากฉันโดยความเป็ไม่ให้เป็นญาติหรือให้ฉันตัดขาจากญาติก็ไม่เป็นไรเพราะพระราตนาไตรเน่าสำคัญกว่าญาติประเสริฐกว่าญาติ แม้ท่านจะตัดศรีรษะของข้าพเจ้าให้ขาดก็ไม่เป็นไรแต่ใครจักมาห้ามพระรัตนาไตรคือพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังขรัตนะคือจะเอาากตัวทานกุศลสีลกุศลออกจากชีวิตของดิฉันเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะพระรัตนาไตรนั้นเป็นทั้งหมดของชีวิตถ้าถ้าภรรยาพูดอย่างเงี้ยสา ม, มีจะทำไง อ้าวที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยมีใครที่มีความมั่นคงแบบนี้ไหมมีไหมมัม่นคงในพระราชาตรัยขนาดนี้ไหมมีไม่มีมีไห ม, ม, มลองหนักไปไหมหนักไปไ ม, ม่ยอมถ้าเป็นอย่างนี้หนักไปไหมอะไรถึงขนาดนั้นเนี่ยอะไรฝังอยู่ในใจอ่ะ สรุปก็คือว่าถ้าไม่ให้นอบน้อมพระรัตนตรยัยถ้าไม่ให้กระแสชีวิตมีพระรัตนตรยัยก็แปลว่ากระแสชีวิตก็เดินออกจากพุทธโอวาสิถ้างั้นก็ให้ฉันไปฆ่าสัตว์ก็ได้ให้ฉันไปลักทรัพย์ก็ได้ให้ฉันไปประพฤติผิดในกามก็ได้ให้ฉันไปพูดเท็จก็ได้ให้ฉันไปพูดส่อเสียดก็ได้ให้ไปฉันพูดคาหยาพูดเพอเจอ้อให้ดื่มสุรามาีัย ให้ปฏิบัติที่ไม่ใช่จารีศีนวารีศีนไม่เดินทานกุศลศีนกุศลซึ่งมันทําไม่ได้แล้วเพราะว่าคนที่เขาแยกแยะเหตุผลได้ชัดเจนแล้วแล้วเข้าถึงเหตุผลเข้าถึงพระราตนาตรายได้อย่างเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเรียบร้อยแล้วนางก็บอกว่าไม่ได้นางบอกไม่ได้ฉันจะไม่ยอมงดกล่าวคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันประเสริฐอย่างแน่นอน ในที่สุดพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็ยอมตามใจนางนี่ไงทําไมยังยอมถามว่าจะหาภรรยาที่ดีอย่างนี้หาได้ไหมพรามณ์หาทั้งชีวิตก็ไม่ได้คนที่ฉลาดด้วยคนทีจ่จัดกิจการงานที่เรียบร้อยด้วยญาติมิตรทั้งหลายไม่เคยขัดเคืองเลยสงเคาะ์ทั้งหมดด้วย แล้วก็ไม่เคยประพฤตินอกใจเลยแม้คิดยังไม่เคยเลยอย่าว่าจะทามาทางกายทางวาจาเลยใช่ไ้มละ่ะไม่เคยดูหมิ่นไม่เคยไปทุศราสามีทั้งต่อหน้ารับหลังด้วยแล้วก็ขยันในกิจการทั้งปวงเรียบร้อยทุกอย่างเลยกราบเท้านวดเท้าดูแลประคับประงมทุกอย่างแต่นางทำนั้นทำตามอะไรทำตามพุทธโอวาท เพราะว่าพระรัตนตรัยอยู่ในใจของนางไงนางถึงทำได้ได้ขนาดนั้นถามว่าโกรธไหมโกรธแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ในที่สุดจริงๆน่นางไม่ยอมพอไม่ยอมเบียเสร็จในวันเลี้ยงพระทหารนางธนัญชานีพราหมณ์เดินสะดุดแล้วก็ล้มจริงๆเวย ทำให้นางเจ็บปวดมากอันนี้ไม่เจ็บธรรมดาเลยนางไม่ได้แกล้งเลยนะเพราะต้องยกอาหารยกอะไรเนี่ยเพราะนางก็สงเคราะห์สงเคราะห์คนที่สามีนับถือดูเลยเพราะงานหนักมากเยอะตั้งห้าร้อยคนเนี่ยขึ้นมานางต้องเลี้ยงอาหารเนี่ยและลึกถึงพระเจ้าแล้วก็นมมือเหนือเสียนหันเลยแต่เนี้ยประคองอัญชลีไปทางเชตวันมหาวิหารเปล่งอูทานไม่ใช่ครั้งเดียวแล้ว สามครั้งเลยวันนี้โอ้โหเปลงยังดังเลยเพราะนางเจ็บมากไงก็นะโมตัสสะพระคาวะโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งเลยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจักเกลียดแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสามครั้งสามรอบด้วยลำดับนั้นพราหมณ์ที่มาฉันพัฒหารโกรธเคืองมากไม่พอใจ ลุกขึ้นกลับไปเลยที่เป็นพระของฝ่ายสามีโกรธมากเพราะไม่อยากเจได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าก็โกรธก็พากันกลับหมดเลยสามีทำไงแต่เนี้ยทําโกรธโกรธภรรยาแต่ไม่รู้จะทํายังไงอยากกันนั้นเลยใครที่ภรรยานับถือโกรธด้วยแต่เนี้ย วิ่งเลยทีเนี้ยวิ่งเอาและจะไปจัดการกับอาจารย์ของภรรยางตัวเองก็เลยกโกรธคิดว่าจะเอาชนะศาสดาของนางด้วยการด้วยการปราคาลมด้วยการที่ไปเนี่ยไปโต้าทาซะเลยสิ้นเรื่องสิ้นรลาไปด้วยความโกรธเนียจึงเข้าไปเป้าพระบรมศาสดาแล้วก็ทูลถามปัญหา ทูลถามปัญหาพุทธายาเพราะทูลถามปัญหาเบ็เสร็จก็คือไปโต้เถียงกันเนี่ยนะที่ส่วนยิงถามเรื่องความโกรธเป็นโต้เหล่านี้ยสรุปประเด็นก็คือว่าเมื่อถามปัญหาพอได้ฟังคําตอบแล้วตอบแล้วเนี่ยที่ส่วนยิงได้บรรลุเลยได้บรรลุทำและต่อต่อมาเนี่ยพราหมณ์นี้ก็ทูลขออุปสมบทในพุทธศาสนาต่อมาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ไง เห็นผลของความเป็นนางมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างเห็นไหมถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าไปอยู่กับสามีขี้เหล้าเมายาหรือสามีมิจฉาทิฏฐิหรือไปอยู่กับเพื่อนขี้เหล้าเมายาหรือเพื่อนมิจฉาทิฏฐิหรือไปอยู่กับบุคคลที่เขาปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยเราจะตามเขาหรือเขาจะตามเราใครตามใคร เอาเรามีศีลใช่ไหมเราตั้งมั่นเรามีศีลเนี่ยเอาทั้งวาลีศีลจารีศีลวาลีศีลเนี่ยแล้วไปอยู่กับคนทุ่ศีลเนี่ยเราจะกายศีลเราหายไปด้วยศีลเราเพิ่มขึ้นเราเป็นคนเข้มแข็งดรืออ่อนเนี่ยเข้มแข็งดรืออ่อนเนี่ยก็ขณะทีน้ำมิท้ายังเอาชนะไม่ค่อยได้เลย้จะเอาชนะใครจะไม่ลอกก็ขณะทีน้ำมิท้ายังเอาชนะไม่ได้เลยเนี่ยใช่ไม่ใช่ สรุปแล้วเราอ่อนแอและเข้มแข็งตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันเข้มแข็งและอ่อนแอเข้มแข็งแล้วเนาะสมัยนั้นน่ะถ้าเรามองนอนืสักคาระวะมานพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในเวททั้งสามในคำพีนเนี่ยนะมีราชุละเวทและสามเวทได้ฟังว่านางพระมณีธนัญชาีเนี่ยกล่าวถ้อยคำอย่างนั้นก็กล่าวว่านางพระมณี น, นันชานเนี่ยเป็นผู้ตกต่ำล่มจมแล้วทั้งๆ ท, ที่มีพรามพูดรู้ไตรเวทเนี่ยกล่าวคุณของสมณะศีษาล้นอีกไม่ตำหนีนะก็บอก oh, ว่าโหเนี่ยท่านเนี่ยมีสามีรู้จบไตรเพศทำไมไม่สรรเสริญสามีทำไมไปสรรเสริญพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเอาวันหนึ่งวันหนึ่งโดยมาก ระหว่างชื่นชมสามีชื่นชมบุตรชื่นชมรับชื่นชมชมบุคคลอื่นกับชื่นชมพระเจา้าเราชื่นชมใครมากกว่าจริงหรือเปล่าวันหนึ่งเราใช้ปากของเราพูดถึงพระเจ้าวันละกี่ครั้งเออมีปากเนี่ยรู้ไหมว่าสักวันหนึ่งปากเราจะพูดไม่ได้นะเพราะแก่เท่าไปเนี่ยตอนนี้ก็รีบออกมาพูดเสีย แล้วเราเอาปากไปพูดในเรื่องไม่ดีมาเยอะเราไปสรรเสริญเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องมากมายสังเกตดูในชีวิตจริงเราเนี่ยโอ้ยอาหารนี่อร่อยเหลือเกินไปไม่ไปเที่ยวตรงนั้นอสนุกมากใช่คุณพระเจ้าไหมที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยแม้คนนั้นวันนี้ไปสอนหนังสือกลับมาแม่ไปเจอเด็กอีกคนหนึ่งแม่สอนยากมากๆเลยเราถาว่าโดยมากแล้วเอาปากไปพูดเรื่องของพระัฒนาใยเรื่องของทานกุศลศีลกุศล ภาวนากุศลหรือไปพูดเรื่องการมะคุณแล้วก็ไปภาณนากามก็าต้องบอกว่าเรามีปากกันคนละปากเนี่ยจงตระหนักในคําสอนเนี่ยจงตระหนักให้ชัดมีคนละปากเท่านั้นแหละแต่เออเราจะกล่าวอย่างไรที่จะเป็นไปกับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเราจะใช้ปากนี้แหละกล่าวพระธรรมคําสอนของพพุทธเจ้าเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่การพ้นทุกข์ เคยคิดไหมเออเรามีมือนี่แหละเราจะใช้มือนี่แหละขวนขวายในการหยิบของในการแจกทานจะใช้มือนี่แหละในการขวนขวายในการหยิบของในการบําเพ็ญประโยชน์ที่เป็นไปกับทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลสรุปก็คือเราจะใช้อัตภาพที่มีอยู่นี่แหละในการที่จะขวนขวายในการที่จะออกจากทุกข์ให้ได้ <c oughs> เคยคิดอย่างงี้ไหมก็คิดใหม่นางก็ถูกตําหนิว่า ทำไมได้สามีดีรู้จบไกลเพศก็ยังไปกล่าวคุณของสมณะศีรษาโลนไปที่ไหนก็นี้แหละหน้าโมตสาภกวะโตอรหะโตสัมมาสั ม, มพุทธะแท้จริงนางไม่ได้กล่าวเพียงแค่นี้นะเออถ้าหากเราเราฟังการกล่าวคุณเหมือนเงี้ยเหมือนเราท่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณใช่ไหมที่เราท่องอะ่ะ ที่เราท่องที่เป็นการสรรเสริญคุณพระเจ้าเนี่ยบุคคลที่ฉลาดในการมีปัญญาเขารู้คุณของพระเจ้าเวลากล่าวเนี่ยเขากล่าวได้ชัดเจนนางก็ตอบว่าถ้าท่านผู้มีศีลและปัญญาของพระผู้มีพระเจ้าก็จะไม่สําคัญเห็นว่าพระเจ้านี่ยเป็นผู้คนด่าก็บอกว่าถ้าท่านถ้าท่านรู้ถึงศีลถ้าท่านรู้ถึงปัญญาสรุปก็คือถ้าท่านรู้จัก ถ้าท่านรู้จากทานบารมีของพระพุทธเจ้าท่านรู้จากศีลบารมีของพระพุทธเจ้ารู้จักเนคขมาบารมีของพระพุทธเจ้ารู้จักปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้ารู้จักวิริยะรู้จักขันติสัจติฐานเมตตาเวขาของพระพุทธเจ้าถ้าท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรมาจึงเป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าท่านรู้นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ถึงศีลรู้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ก็จะไม่สำคัญว่าพระผู้พิพากษาเป็นผู้ควรด่าควรบริาพาทเลยนี่เพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมหล่ะถามว่าถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงจเนี่ยเราจะนั่งง่อยเงาเศร้าซึมอย่างนี้ไหมเพราะเราไม่รู้น่ากลัวไหมโมหะคือความไม่รู้เนี่ยน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวน่ากลัวไอ้ความไม่รู้เนี่ยน่ากลัวมากโดยสรุปก็คือความโง่เขลาบาปัญญาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเพราะเราไม่รู้คุณของพระเจ้าสัก า, าราวะพามก็คิดว่าจะเอาชนะพระบรมศาสดาของนางด้วยการปรากาลมเหมือนกันเพราะจะขนาดนั้นเลยเห็นไหมว่าคนบอกว่าเออถ้าท่านรู้จกักศีลรู้จักปัญญาพระเจ้าท่านจะไม่ควรด่าพระเจ้าแน่นอนพราะพูดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บ่านเองก็จบไตรเพศเนี่ยเฮ้ยเกิดมาน่าไหมเกิดมาน่าไหมถ้ามาบอกว่า เออเนี่ยถ sí <ide> ้า <dans> ท่านรู <jamais trois> ้จักศีลของพระเจ้าถ้าท่านรู้จักปัญญาพระเจ้าถ้าครูโรงเรียนบนบัญรัติเนี่ยถ้ารู้จักศีลรู้จักปัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มานั่งหลับอย่างนี้หรอกจะไม่นั่งง่อยเหงาเศร้าซึมอย่างนี้หรอกถ้ารู้จักศีลของพระเจ้าจริงถ้ารู้จักปัญญาขอพระเจ้าจริงถ้ารู้จักทานกุศลของพระเจ้าจริงอจะไม่นั่งมานั่งซึมๆอย่างนี้แน่นอนต้องนั่งตื่นเต้นมากกว่านี้ ไม่นิดถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้เบสเสร็จก็คือกระแทกที่ความเห็นเราเลยเราคิดอยาอกอยากกันนั้นเลยต้องการจะไปรู้พระพุทธเจ้ามีปัญญาแค่ไหนถ้าถามยิงประเด็นลึกพูดเจาะหรือพูดทิ่มเมืองใบงี้เบสเสร็จถ้าคนมีปัญญาจริงๆนะก็จะถามทันทีท่านฉันอยากรู้ปัญญาพระพุทธเจ้าฉันจะไปดูในที่ไหน ฉันจะไปฟังนะที่ไหนอามาก็จะบอกทันทีเอาเลยไปไปดูปัญญาของพระเจ้านู่นน่ะในพระตรปิฎกนะปดมื่สี่พันพระธรรมขันธนะ์นคือปัญญาพระเจ้าเราก็จะวิ่งไปดูเลยมีจริงหรือเปล่าค้นคว้าใหญ่นะักเข้านะักเขาก็ได้เห็นจริงตามนั้นจริ ง, รงแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีปัญญานะก็บอกว่าอยากรู้ศีลของพระเจ้ารอยากอยากรู้ปัญญาพระเจ้าห ไม่รู้จะรู้ไปทําไมปัญญาก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะวันวันนี้แค่นี้ก็เบื่อพออยู่แล้วยิ่งจะไปรู้อะไรอีกก็ไม่รู้เออเราเป็นกลุ่มไหนอะกลุ่มแสวงหาปัญญาหรือกลุ่มแสวงหาความไม่มีปัญญาแสวงหาปัญญาจริงหรือเปล่าโอ้พูดแล้วน่าชื่นใจจะชื่นใจได้ครึ่งเดียวนัเนี่ยชื่นใจได้ครึ่งเดียวเอา ถ้าสแสวงหาปัญญาจริงๆวันนี้ก็สนทนาเรื่องปัญญาล้วนๆของพระผู้มีพระเจ้าจนถึงเที่ยงคืนอาไว้แล้วนี่ไงนี่ก็เห็นชัดแล้วเนี่ยเรศแสวงหาปัญญาจริงเอาที่เอามาก็จะนั่งบัญญาอยู่อย่างนี้แหละถามมาเลยจะเอาปัญญาพระพุทธเจ้าล้วนๆเอาเรื่องปัญญาบา ร, รมีล้วนๆเลยเนี่ยสแสดงขออนุญาตถึงเวลาเข้าของน้าหน่อยแค่นั้นแหละเราจะมานั่งตรงเนี้ย แล้วจะไม่ฉันเพนด้วยเอาไหมล่ะอันนี้ไปป่วยนี่แหละฮะไม่บาปจะบาปได้ไงนะ่ะเห็นบาปเลยเนี่ยกล่าวคําสอนพระเจ้าถ้ามรณาภาพเนะี่ยยิ่งดีที่จะได้มีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าเราก็นั่งฟังคําสอนพระเจ้าถ้าหากว่าตายลงตรงนี้ก็ดีเลยทุกคนไปสุคติโลกสวรรค์มีวิมานทิพวิมานทองสูงเป็นร้อยร้อยยอดจะไม่อยู่อะไรกับท็อปเล็กๆ บ้านก็ไม่หลังไม่ใหญ่อะไรอาชีพก็แค่ครูโรงเรียนบนันจงรัฐธรรมดาแต่ไปตรงนู้นนะ่ยยิ่งใหญ่กว่าเก่าน่าสนใจไหมลหลเออตายในระหว่างฟั ง, ฟ ง, ฟงธรรมก็เลยจดลงในบันทึกในกินเนสบุ๊คใช่ไหมล่ะเออมีอยู่ละบอกว่าเป็นเรื่องประหลาดมากเลยฟังธรรมจนตายเนี่ยใช่ไหมล่ะเออให้มันได้อย่างนี้หน่อยได้ไหม หาคนใจกล้าไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมสคาระะาวามนบก็คิดว่าจะเอาชนะพระบรมศาสดาของนางด้วยการปรากาลมก็เข้าฝ้าพุทธเจ้าทูลถามปัญหาว่าพระโคโดมเป็นพวกไหนของสมณพราหมณ์ที่มีปติญญาถึงเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ว่าตนรู้แจ้งในปัจจุบันอยู่จบพรหมจันทร์บรรลุถึงความเป็นผู้ถึงฝั่งอย่างบริบูรณ์ว่าั้นพระเจ้าก็ตอบว่าพระองค์ตรัสว่าสมณพรามหมณ์เรานั้นมีต่างๆกันนะ คือเป็นพวกที่ฟังสืบๆกันมาก็มีพวกพราหมณ์ที่รู้วิชาสามรู้ใจเพศที่ปฏิญญาถึงเบื้องต้นอย่างพระมจรจันด้วยเหตุสักว่าเชื่อก็มีเช่นพวกนักเดาบ้างนักคิดบ้างนักตรึกบ้างนี่นะที่รู้แจ้งด้วยธรรมด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็มีพระองค์ก็อยู่ในหลักหลังเนี้อยู่ในข้อหลังนี่แหละก็คือว่าไปถามพระพุทธเจ้าว่าสมณพราหมณ์เนี่ย บุคคลที่บอกว่าพระโคโดมเป็นพวกไหนในบรรดาสำนักพราหมณ์ที่ปฏิญญาณถึงเบื้องต้นเหิงพรหมจันทร์ว่าตนรู้แจ้งในปัจจุบันอยู่จบพรหมจันทร์บรรลุถึงความเปทูตถึงฝั่งอย่างบริบูรณ์อยู่กลุ่มไหนพระเจ้าก็เลยแจกแจงให้ฟังว่าเ อ, อ้อนี่บางคนนะบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยเป็นสำนัพราหมณ์บางเหล่ามีต่างๆกันออกไปนะกลุ่มที่พวกฟังสืบๆกันมาก็มีเช่นพวกพราหมณ์ที่รู้วิชาสามเนี่อรู้ไตรเพศเนี่ยคือพวกนี้ไม่ได้รู้จริงหรอก ก็เหมือนอย่างพวกเรานเนี่ยนะกลุ่มเหมือนพวกไตรเพียนี่แหละจริงไหมล่ะก็คือเป็นไปเรียนมาได้ปริญญาตรีได้ปริญญาโทได้ปริญญาเอกก็คือเนี่ยไตรเพีจบสามไตรว่าไงจรรดาเอาจารย์ที่เพืดีจ็ิงไหมล่ะนี่ไงกลุ่มไตรเพีนี่ไงเนี่ยไตรเพีเนี่ยทิฏฐิแรงนะที่จบไตรเพีเนี่ยความเห็นแรงความเชื่อมั่นวิชาการตนเองสูงอะนะนี่เขาเรียกวิชาไตรเพี ปริญญาตรีนะ่ะหนึ่งไตรปริญญาโทก็อีกไตรหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปริญญาเอกอีกไตรหนึ่งก็มีอะไรบ้างอะละชุลเวทมาชุลเวทแล้วก็สามเวทแล้วก็อะไรมฤคเวทเนี่ยสามเวทนี่แหละนังไงปริญญาตรีโทเอกโอ้โหเขาจบกันก็เชื่อมั่นมากทิศทีแรงกล้ามาก เออเนี่ยพุทธิยาก็บอกนี่ไงกลุ่มนี้ไม่ได้รู้จริงเราฟังสืบสืบกันมาไม่ได้แทงตลอดอะไรเราฟังสืบสืบเข้ามาไปนั่งเรียนเรมาจําตำรามาแค่นั้นเองไม่มีอะไรวิชาโหราศาสตร์ก็เหมือนกันนี่ก็นี่ก็นี่ก็กลุ่มตะไลนึงแต่จร no ิงๆม okay. <im g ly> ีจริงนะในในคัมภีร์พระเวทเนี่ยมีว่าวิชาโหราศาสตร์มีวิชาโหราศาสตร์นี่กลุ่มนี้ฟังสืบสืบกันมา แต่จริงๆตนเองไม่ได้มียานอย่างรู้แทงตลอดสัจจะความจริงหรอกไม่มียานปัญญาสัพพัญญตยานที่ไปสามารถรู้โลกธาตุทั้งสิ้นเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยเออพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระปัญญานะั้นโลกธาตุมีเท่าไหร่พระสัพพัญญตยานก็มีเท่านั้นโลกธาตุดีมากกว่าแสนโกดโลกธาตุนะแต่พระปัญญาของพระบรมศ า, ศาสตาก็สามารถกระทบโลกธาตุเหล่านี้ทั้งสิน้นสัตว์โลกมีเท่าไหร่ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้น เอาสินี่ไงไปัญญาของพระเจ้ากับสั ต, ตวโลกกับสังขารลโลกแล้วภาชนะโลกเนี่ยมีความสมดุลซึ่งกันและกันไม่ล่วงเกินกันและกันเลยอะ่ะนี่ไงคือพระเจ้าเชื่อไหมพระเจ้ามีปัญญาระดับเนี้พระเจ้าจึงปฏิญญาตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธไงจึงปฏิญญาณตนเองว่าเป็นโลกาวิถุโล้แจ้งโลกไง อา้าวถ้าใครสงสัยมาตรวจสอบที่ต่อตรวจสอบได้เลยว่าพระเจ้ารู้จริงรู้ไม่จริงมาตรวจสอบได้ด้วยนั่นก็บอกว่าเออรู้ไตรเพศปัญญาณถึงเบื้องต้นอย่งพรหมจารด้วยเหตุสักว่าความเชื่อก็มีว่างั้นนะหนึ่งกลมหนึ่งคือพวกเรียนมาจบจบปริญญาเอกอีกกลมหนึ่งคือกล่มที่ฟังฟังกันนะบอกว่าปิญญาณถึงว่าเป็นเบื้องต้นอย่งพรหมจารย์ด้วยเหตุว่าศักแต่ว่า สักแต่ว่าเชื่อเช่นนักเดานักคิดนักตึกชอบเดาชอบคิดชอบวิจารณ์เนี่ยนะกลุ่มนี้ก็มี น, นี่กลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สามที่รู้แจ้งทำด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระองค์ก็อยู่ในพวกกลุ่มหลังนี้พระเจ้าเนี่ยตัดสรู้ทำได้ด้วยตนเองนะและธรรมะเหล่านั้นพระเจ้าไม่ได้ฟังมาจากใครเลยอะ่ะพระเจ้าฉลาดในมรกรอบรู้ในมรก ทรงยังมาร์กที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นใช่ไหมทรงบอกมาร์กที่ยังไม่เคยมีใครบอกเอาสิหนทางเนี้พระเจ้าบอกแล้วแต่ก่อนเนี่ยหนทางนี้ถูกปิดมานานแล้วตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนไม่มีใครค้นเจอธรรมชาตินี่ก็คือสัจจคความจริงนี่ถูกปิดมานานแล้วแต่เพระบรมศาสดาก็มาตรัสรู้สัจจะตรัสรู้ความจรงิงเบ็ดเสร็จก็เปิดเผยดูนี่ไงเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ใช่นักเดาไม่ใช่นักคิดแต่ตรัสรู้เองแต่ทําไม อยู่ๆเราไปคิดเองแต่สรู้ได้ไหมเอาไม่ได้อีกเพราะอะไรข้อบา ร, รมีสั่งสมมาไม่พอนี่พระเจ้าสั่งสมมาเพียงพอคันตรัสเล่าถึงพระ ด, ดํำริตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จออกผนวดเห็นโทษของการคลองเรือนพระเจ้าก็บอกว่านี่นะแต่ก่อนเนี่ยเรามีอัศาธามากเออ อศาสาท่คือว่ายินดีในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเออมีนางสนมทั้งแปดหมื่นสี่พันนางเนี่ยไม่ธรรมดาเนะี่ยสี่มื่นนางอย่างนี้เป็นต้นมีประสาทสามฤดูนะแต่ที่จริงจริงก็เห็นโทษเห็นโทษต้งการของเรือนว่าว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีจริงใช่ไหมเห็นโทษที่จริงเห็นโทษของกามาคุณเขาเรียกเห็นอาทีนวะของสิ่งเหล่านั้น เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความแปรปลวนเห็นความไม่ถาวรของของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าถามว่าเนี่ยเราเห็นอาคารหลังนี้ตอนนี้เราดูตรงไหนก็สวยใช่ไหมแต่ถามว่าในเราเห็นโทษของมันไหมเห็นไม่เห็นถามว่าเมื่อเกี่ยวข้องสิ่งเนี้ถามว่าทุกข์ไหมเนี่ยเกี่ยวข้องนะข้าวน้ําเข้าวไฟเนี่ยนนะหรือจะต้องสอบแซมดูบํารุงเนี่ย ต้องรักษาต้องกว่าต้องถูถามว่าน่าเบื่อไหมเนี่ยสิ่งต่างต่าเหล่านี้มันเป็นพาราหมดเลยเอาสิโทษทั้งนั้นแหละที่มาเกี่ยวข้องตรงเนี้ยถามว่าเอางี้นะแค่บริเวณสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมาดูเลยเนี่ยอยู่ไหวไหมเนี่ยต้องปวดหัวตลอดเวลาเลยนะเนี่ยทํำยังไงเนื้อเนี่ยจะมีเงินเอฟีนี้งบทางภาครัฐจะให้มาเท่าไหร่เนี่ยเพียงพอต่อการที่จะให้เงินเดือนครูปเปล่าเขาไม่รู้เนี่ย ใช่ไหมล่ะเกิดเอาทั้งรัฐบาลบอกจะตัดงบประมาณก็อีกก็เดือดร้อนอีกแต่เนี้ยเอาเก็บจากค่าผู้ปกครองยังไม่เพียงพออีกอาครูก็ไปทวงจะขึ้นเงินเดือนนี่โอ้เดือดร้อนอีกเยอะเลยใช่ไหมล้ะนี่ไงอาทีนวะทั้งนั้นแหละนี่คือโทษท่านเห็นอย่างนี้เบี็เศท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ออกบวตก็เห็นโทษการคลองเดือนแล้วก็เสด็จออกพนวดจนถึงการบําเพ็ญทุกขลักริยาแล้วก็เลิกบําเพ็ญทุกขลักริยาเนะ เห็นโทษอีกว่านั้นไม่ใช่หนทางไม่ใช่ปฏิปทาไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์จริงจนได้บําเพ็ญฌานเป็นบาดฐานแล้วก็ได้ปุเพนิวาสานุสติยานพยานที่ระลึกชาติทุนหลังได้จุตูปปาตญารู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายที่สุดจริงๆก็ทําอาวะสวัสดิ์ขยาัานในยามสุดท้ายเนี่ยและได้ตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมพุธิยาณเป็นพพุทธเจ้าโดยสรุปตรงนี้นะ มานพเนี่ยได้ทูลถามถึงเรื่องเทวดาอีกเล็กน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสตอบก็ทูลสรรเสริญพระธรรมเทนาพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเอาสิใครไปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีว่าเอาเลยคนที่คิดว่าตนเองมีข้อมูลดีหนักหนาแล้วเนี่ยนะมั่นใจว่าเนี่ยเราต้องการที่จะปะคาลมกับพระพุทธเจ้านอยนี่นะเข้าไปเอะ ลำดับแรกก็เข้าไปศึกษาคำสอนเลยเข้าไปฟังที่เสดจริงๆก็ก็จะโอ้เราไม่รู้อะไรเลยน้าข้าว ก, ก็ยอมจำนนต่อการที่จะนับถือพระเจ้าเพราะอะไรถึงยอมจำนนปัญญาเกิดแล้วก็รู้แนวทางว่าตนเองเนี่ยปฏิญญาณตนเองอยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นที่เสิจริงๆก็ขอถึงพระรัตนตรยัย น, นี่พอจะมองเห็นหนนี่แหละลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะเห็นชัดว่าพระบรมศา ส, สดาเนี่ยรอให้เราเข้าไปหาแล้วก็ไปฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระเจ้าพระพุทธเจ้าประทรับที่เชตะวันบุตรสุดที่รักคนหนึ่งของคณะบุดีได้ถึงแก่ความตายเนาะ ฝ่ายเครองดีก็เสียใจอะไรสุดกำลังร้องไห้บนเพือถ้าถ้าลูกเราตายเราจะร้องไห้ไหมร้องไหมร้องไหมร้องร้องนะไม่เป็นอันทํางานทําการไม่เป็นอันบริโภคอาหารไปสู่ป่าก็ ค, คร่ําครวญถึงบุตรถึงที่รักตัวเองตลอดเวลานี่นะไม่น่าตายเลยนะ ไอ้ที่ไปร้องไห้เวลาลูกลูกลูกตายแล้วร้องก็ไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยเนี่ยจริงๆอะไม่น่าตายหรือน่าตายจริงๆน่าตายไหมทุกคนเนี่ยน่าตายหรือไม่น่าตายน่าตายพราะเกิดมาแล้วน่าตายทุกคนเลยเออถ้าไม่เกิดที่ถึงจะไม่น่าตายยังไงเล่ะฉะนั้นความจริงของชีวิตอะใครอยากเกิดนะเกิดแล้วต้องตายนั่นอันเดียวกันนี่ห้ามเกิดถึงจะได้ไม่ต้องตาย ฉ้นถ้าเกิดแล้วหน้าตายไหมเออถ้าเจอลูกอุ้มลูกก็เออไหนูหน้าตายนั่เองเนี่ยหน้าตายนะใช่ไหมต้องพูดบ่อยๆหน้าตายทุกคนหน้าตายบวชเราก็หน้าตายใช่ไหมเอาทาไมไม่ตายสักทีเอาทําไมพ้อนอะไรหน้าตายแต่ตอนนี้อยากตายอยังยังไม่อยากตายใช่ไหมแต่สรุปแล้วทุกคนเนี่ยเนี้อแกไปร้องไห้กไม่หน้าตายตั้งคําถามผิดหรือถูก ถ้าไปตั้งคาถามบอกไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยแล้วมันจะหาทางออกได้ไหมคําถามมันตั้งผิดไม่ตั้งถูกมันตั้งผิดแล้วมันจะตอบตัวเองอยังไงเนี่ยไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยเนี่ยมันฝืนความจริงของกระแสะของชีวิตนะจริงๆต้องบอกว่าน่าตายต่อมานี่นะก็ได้เข้าไปฝ้าพพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสถามก็ทราบและจึงตัดว่าความเศร้าโศก ความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจล้วนเกิดแต่ของที่รักือถ้าเราไม่รักแล้วเนี่ยมันจะไม่โศกจะไม่เศร้านะแต่ขึ้นคำวบดีกล่าวว่าความยินดีความดีใจก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักด้วยคือกล่าวคัดค้านมีฟังให้ดีนะพเจ้าบอกว่า ความโศกความร่าไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยเกิดจากของที่รักแต่ข้นาบดีบอกว่าความยินดีความดีใจก็เกิดจากสิ่งเป็นที่รักด้วยก็ทำนองคัดค้านขณะ น, น, นั้นนักเลงส ก, กาหลายคนกำลังเล่นส ก, กาอยู่ที่ไม่ไกลจากข้านาบดีก็เข้าไปหา ข้บดีเข้าไปหานักเลงสการ์นั้นแล้วก็เล่าความที่ตนกล่าวตอบโต้กับพระพุทธเจ้าทุกประการมาให้ฟังนักเลงเหล่านั้นเห็นว่าความยินดีความดีใจเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักข้าพาบดีเห็นว่าความเห็นของตนกับนักเลงเนี่ยสการ์เนี่ยมันตรงกันก็จากกันไปเรื่องที่ตอบโต้กันนี้ก็กระชอนดังไปทั้งเมืองดังกันมากเถียงกันว่าเอพระพุทธเจ้าทําไมกล่าวอย่างเนี้ย กล่าวว่าความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจเกิดจากของที่รักแต่เอเศรษฐีบอกว่าความยินดีความดีใจเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักเออทําไมเป็นอย่างเนี้ยเพราะเรารักสิ่งใดเราถึงยินดีไงเราเพลิดเพลินสิ่งใดเราจึงยินดีเราจึงชอบไงฉะนั้นความโศกความร่ําไรลําพันธ์เนี่ยใช่ไหมมันจะเกิดจากสิ่งที่รักได้ยังไงมันต้องสิ่งที่เรารักสิ ที่จะให้ความยินดีทีนี้ก็ะลอมดีเห็นความเห็นเรื่องที่ต่อโต้ก็ดังต่อมาเนี่ยพระเจ้าประเปรตที่โกศลเท้าเธอก็ทรงสนทน า, นากับนางมาริกานางมาริกานี่เป็นพระมเหสีของพระเจ้ารเสรตที่โกศล น, นะเพื่อที่จะทราบว่าพระนนางมาริกาเนี่ยพระ น, นางมาริกาก็ทรงทรงนาพิชังค้าพรามไปกราบทูลกับพ่อบรมศาสดาพระศาตาก็ตรัสยืนยัน ว่าความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยเป็นของเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนืนาลิชังกระพรางก็ได้กลับมากราบทูลแก่นางมาริกาต่อมานางมาริกาก็เข้าไปทูลอธิบายพุทธภาสิตโดยพิสดารนําเอาสิ่งอันเป็นที่โปรดปรานของพระราชาเช่นพระนางวชิระกุมารีผู้เป็นราชธิดา นางวาสภคติยาซึ่งเป็นพระมเหเสีสีแล้วพระเจ้าวิทูสภาเสนาบดีซึ่งเป็นลูกแล้วก็พนางมาริกาเองซึ่งเป็นภรรยาเหมือนกันเป็นพระมเหเสีสีเนี่ยแล้วแคว้นกาสีคือแควนโกศลมทูลถามว่าถ้าของอันเป็นที่รักเนี่ยแปรปื้นเป็นอย่างอื่นไปพระองค์จะโทมนัสไหมเนี่ยจะโศกไหมจะโศกจะลำลายลาพันจะไม่สบายกายไม่สบายใจจะครับแค้นใจไหมจะทุกข์กายทุกใจไหม เขาเธอก็ตรัสว่าเรารู้สึกเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงเลยว่างั้นดุดชีวิตจะหามิได้พระนางกรลรีตอบโดยพลันว่าข้าแต่พระหมาหาราชเจ้าจริงอย่างที่พระบรมศา ส, ศาสดาตอบว่าไม่ใช่หรือว่าทุกทมนัตความโศกความร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจเนี่ยเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนี่ได้คาตอบพียังเราอยากจะโศกกับสิ่งใดไหม ถ้าเรายังรักสิ่งใดยังยึดติดสิ่งใดอยู่ยังอาลัยอาวรณ์สิ่งใดอยู่ยังหวงสิ่งใดอยู่เราจะต้องโศกกับสิ่งนั้นหรือไม่โศกโศกแน่นอนอลองหันไปดูเรายังรักบ้านอยู่ไหมยึดติดอยู่ไหมยังหวงบ้านอยากจะกลับเร็วๆอยู่ไหม <c oughs> อยากไม่อยากน่นแหละเดี๋ยวเราก็จะไปโศก เดี๋ยวเราก็จะไม่สบายกายไม่สบายใ จ, ยใจก็จะคับแค้นใจและเราจะเจ็บปวดกับบ้านหลังนั้นแหละกับลูกคนนั้นแล้วกัสามีนั้นแหละกัภรรยานั้นแหละกับญาติเมตต์กับเกียรติยศชื่อเสียงนั้นแหละนี่ไงความโศกความล่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเกิดจากของกันเป็นที่รักเข้าใจยังถ้าเราไม่อยากจะโศกต่อสิ่งใดก็อย่าไปรักสิ่งนั้น ถ้าไม่ต้องการจะทุกกับสิ่งใดก็อย่าไปรักอย่าไปเอาอะไรอาวรกับสิ่งนั้นทําให้ฝืนความรู้สึกเราไหมเนี่ยฝืนไม่ฝืนฝืนเลยแล้วทําไงอะ่ะฮะจริงๆแล้วทําให้เราโศกจริงไหมเล่ารับกันไม่ได้แล้วรับไม่ได้แล้วแค่นี้รับไม่ได้แล้ว <laughs> ทีนี้ในที่สุดนะพระราชาก็ยอมจำนนแล้วก็ระลึกถึงพระปีชายานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเลิศล้ำไม่มีผู้ใดเทียบได้เท้าเธอก็หลากว่าไทยถึงการลุกขึ้นนะจากราชอาณก็พาดพระภูษาเฉียงอังศาข้างหนึ่งแล้วก็เปล่งอูทานบอกว่านะโมตัสสะวะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจจะขอนอบน้อมแด่พระพุทมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถามว่าเราอัศจรรย์ไหมเนี่ยคำตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์หรือไม่อัศจรรย์อัศจรรย์ทําไมไม่ไม่ปนมือท่องน้โมให้ฟังเราอ้าวปนมือท่องน้โมยฟังยังไม่ อ, อัศจรรย์ตั้งอัตจาสิยไว้ก่อนต่อไปจด้อัศจรรย์ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอา้าวปนมือขึ้นเอาตั้งน้โมให้ฟังหน่อยสิแปลเป็นไทยหน่อยสิ ได้แค่นั้นเองเออน่นตรงนี้ก็คือว่ามันสาธยายมันท่องบ่อยๆจะได้ตั้งเป็นอัธยาศัยเขไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพุทธคุณเนี่ยที่ปรากฏอยู่โดยคุณธรรมเป็นเหตุเนี่ยนะในขณะที่เราสวดประกาศพระคุณของพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนั่นแหละ พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนหนึ่งเมื่อจะอุบัติเกิดขึ้นย่อมอุบัติเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่ อ, เ, อเกื้อกูลความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นคือใครก็คือพระตถาคตนี่แหละผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมในวิชาและเจรณาเป็นต้นเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสรารถีฝึกบุญ ท, ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าพระตถาคตผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนหนึ่งเมื่อจะอุบัตย่อมอุบัติเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธคุณทั้งสามประการนะ ทังพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเนี้ยเป็นที่รวมของพุทธคุณทั้งหมดของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบบอกเกิดแห่งคุณธรรมมันบริสุทธิ์เพราะคุณธรรมพระธองค์เนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างบา ร, รมีมาตั้งแต่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปนับไม่ถ้วนดังนั้นนะพระนามของพระเจ้าจึงนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เช่นกัน ภาษาลีบทบอกว่าพระ น, นามของพระเจ้านั้นพร้อมด้วยคุณธรรมไม่มีใครนับจำนวนได้บุคคลหนึ่งพึงยกพระ น, นามขึ้นกล่าวด้วยคุณธรรมแม้ด้วยด้วยพระ น, นามพันชื่อทีนี้ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จ ด, ดับขันธปริญพาภานไปสอง0้อเท่าไรหร่ส0บเท่าไรห้า55บห้าปีห้าสิบห้าพรรษา ถึงขนาดพระคนของพระบรมศาสดาก็ยังอนเนกอันนันนะหาล่วงลับไปเหมือนกับรู ป, ปกายของพระเจ้าไม่พระพุทธคนคนของพระทธเจ้ายังฝังแน่นอยู่ในดวงใจของชาวพุทธบริษัทที่เขาเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมเขาเข้าถึงอย่างแน่นแฟ้นไม่มีใครในโลกที่จะสามารถพัฒนาให้สิ้นสุดได้ท่านบอกว่า ในคำสอนดังพระดําราสบอกว่าอากาสังจักวารัญจาสัตตาพุทธาคุณาพิจาอนันตานามจัตารโอปริเฉโทนวิชติอบอกว่าอากาศโยมรู้จักอากาศไหมจักวาล และพุทธคุณและหมูสัตว์นะอากาศจักรวาลหมูสัตว์สามอย่างนะแล้วก็พุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสี่อย่างนี้หาที่สุดไม่ได้ไม่ปรากฏขอบเขตอากาศปรากฏขอบเขตไหมจักรวาลปรากฏขอบเขตไหมหมูสัตว์เนี่ยปรากฏขอบเขตไหมพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหมือนกันไม่ปรากฏขอบเขตเลย เห็นอากาศหายใจเข้าท so ah anyway. <sho> ี no ่ไรนึกถึงพระเจ้าไหมเออนึกถึงพระเจ้านึกถึงโลกเหยียบโลกแต่ละใบนึกถึงโลกแล้วก็นึกถึงจักรวาลเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคุณของพระเจ้าเห็นสัตว์โลกเท่าไหร่นั่นแหละคือคุณของพระเจ้าหาประมาณไม่ได้แล้วก็จําแค่เนี้ยหาประมาณไม่ได้ อากาศก็ดีจักรวาลก็ดีหมู่สัตว์ก็ดีแม้พุทธคุณทั้งหลายก็ดีทั้งสี่ประการเนี่ยหาที่สุดไม่ได้ไม่ปรากฏขอบเขตเลยแม้พระวังคีสาเทระก็กล่าวชมเชยพุทธคุณนะบอกว่าพระสาวกที่ได้บรรลุวิชาสามปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาธยานอาสวะขยายานเนี่ยละมัจจุราชได้แล้วทำว่ามัจจุนี่คืออะไรมัจจุราชคืออะไร อะไรคือมัจจุราชลัจราชก็คือความตายพระขี่นาศพ่ารหันเนี่ยท่านละความตายได้แล้วท่านไม่ต้องตายอีกแล้วอนี่พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ประทับนั่งที่ข้างภูเขาภาษาวกเหล่านั้นก็พากันแวดล้อมพระผู้มีภาคเจ้าที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกอย่างทรงถึงฝั่งแห่งทุกข์ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณอย่างมากมาย นักปราดระดาผ้าะกระถาจานท่านก็บอกนะบอกว่าหากแม้พระเจ้าจะตรัสพลนาของพระพุทธคุณตลอดกลับหนึ่งก็ไม่ได้สามารถกลับนี้หมดสิ้นไปแต่คุณของพระเจ้าไม่ได้หมดสิ้นไปเลยนะถ้าจะกล่าวคุณของพระเจ้านี่นะถ้ามีบุรุษคนหนึ่งนะมีฤทธเดชมากเนรมิตรศีรษะได้หนึ่งพันศีรษะนะแต่ละศีรษะมีปากอยู่ร้อยปาก สามารถเนรมิตศีรสากี่พันศีสากแต่ละศีรษามีปากอยู่เท่าไร่มีร้อยปากเนาะมีร้อยปากแต่ละปากมีลิ้นอยู่ร้อยลิ้นอย่างนี้ก็เท่ากับมีปากเท่าไรมก็มีปากหนึ่งแสนมีลิ้นหนึ่งโกรดมีลิ้นหนึ่งโกรดมีชีวิตอยู่หนึ่งกับกับหนึ่งก็คือว่า กว้างหนึ่งสิบหกกิโลเมตรลึกหนึ่งสิบหกิโลเมตรนะกับหนึ่งไง น, นะประมาณนั่นแหละร้อยปีก็เอามเมล็ดงาหย่อนไปเม็ดหนึ่งร้อยปีก็เมล็ดงาหย่อนไปเม็ดหนึ่งเมล็ดงาเต็มหลุมนั้นนะ่ะลึกสิบหกกิโลกว้างสิบหกิโลนั่นแหละกับนั่นแหละกับมีชีวิตอยู่กับหนึ่งก็ยังไม่อาจจะพรณนาพระคุณของพระเจ้าได้หมดสิ้นได้เลย เอาเราจะคิดออกไหมเนี่ยเพื่อความเข้าใจนี่นะขอยกพระรอรอหันในลังกาทวีปที่เจติยมหาวิหารมีพระภิกษุรูปหนึ่งทรงคุ ณ, ณวิเศษในพุทธศาสนาสิ้นกิเลสและเป็นพระอรหันเป็นระยะบุคคลมีปัญญาอย่างเห็นประจักษ์แจ้งในไตรละในพระไตรวิฎกเที่ยงแท้ในพระกรรมฐานมีหมู่ภิกษุ สงเป็นจํานวนมากแตกฉานในปฏิสัมพิทาญาณสี่เป็นที่สการะบูชาชื่อว่าพระกาลาพุทธลักขิตากาละพุทธลักขิตาเนี่ยก็คืออดีตสัจการิครนสัจการิครนเนี่ยเกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ตอนนั้นไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าแต่จะไปโตวาทาพระริเจ้าอยู่สองครั้งในจูลศักด สัจกาศูรกับมหาสัจกาศูรไปโต้ ว, วาทะเพราะตนเองมีทิฏฐิเยอะมั่นใจในปัญญาของตนเองแต่ไปโตแล้วแพ้แพ้ตอนนั้นก็ไม่ได้ประกาศตนเองถึงสารณาคมเนะโอ้โหพวกเราที่มานั่งเรียนแบบไม่ค่อยศรัทธาเนี่ยไม่แน่เหมือนกันเนี่ยเพืพ่อเพออาจจะเป็รู้ในอนาคต น, นเนี่ยอัธยาสาัยมีกันทั้งนั้นนะนอย่าลืมนะมานั่งซึมๆๆก็ได้เหมือนกันนะบางที่ แต่ถ้าตั้งใจจะได้ดีไหมโ้ยโหได้ดีเอ๊ะพวกเรามานั่งฟังกันนี้ตั้งใจดีไหมตั้งใจเนาะหน้าโมทนาเลยใครคิดว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความตั้งใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นนะโ้หขนาดเพิ่มแล้วนี่นะ <c oughs> ถ้าวันแรกนี่ <c oughs> จะขนาดไหนเนอะทำให้คิดอนะไรเนียมองไม่ออกเลยเนาะ กว่าจะมาเป็นกว่าจะเป็นมนุษย์ที่เริ่มจะฝึกกับเขาได้นี่ก็โหไม่ง่ายเลยเนาะที่แรกจริงๆเป็นมนุษย์ที่ไม่อยากจะฝึกเนาะไม่อยากจะฝึกเลยเนี่ยแล้วต่อมาเอ้าพอเริ่มจะฝึกขเขาบอกว่าทีแรกจริงๆเป็นอันธพาลชนก่อนใช่ไหมยังเป็นคนที่บอดอยู่หนาอยู่เนี่ยต่อมาเอาละแล้วจะทิ้งความเป็นบุคคลที่ไม่รู้เสียก็เริ่มมาฝึก ต้องการอยากจะรู้และเข้าใจพระธรรมของพุทธเจ้ามากขึ้นก็เริ่มจะมาเป็นกัลยาปริชนีนเครื่อเริ่มจะฝึกเทนี้ไอ้คําว่าเริ่มเนี่ยบางทีมันหักกลางทางได้ไหมหักกลางครั้นได้ไหมอันนี้ต้องระวังนะตอนนี้ก็คือพระภิกษุรูปนี้ท่านทรงคุณอาวุธมากวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถท่านก็แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องมหาพุทธคุณกถา คือกล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพรรณนาถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่หัวขั้มปฐมยามจนถึงราตีปัติมยามใกล้สว่างนี่แปลว่าเทศกี่ชั่วโมงอ่ะสิบสองชั่วโมงนี่นะเราให้นึกกันนะว่าจากนี้เนี่ยหลังพุทธปรินิพานประมาณสองร้อยกว่าปีนะสองร้อยถึงสามร้อยปี ก็แปลว่าช่วงระยะห่างจากเราประมาณสองพันปีเล็กน้อยเองใช่ไหมเล่าที่ลังกาเขาสามารถฟังทมกันได้ตั้งแต่หกโมงเย็นยันหกโมงเช้าโดยไม่มานั่งองกๆง อ, งงองหรือไม่ต้องมาการออกท่ายกพลังขอพลังจากฟ้าไม่ต้องเลยเนะี่ยไม่ต้องเลย ไม่ต้องเลยอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดมากนะอันนี้เรื่องน่าคิดมากนะน่าคิดมากเลยนะเนี่ยว่าเทําไมในกระแสรูร ป, ปกายของเขาจึงมีความแข็งแรงขนาดนั้นอันนี้เพราะศรัทธาก็ตั้งมัน่นคนที่มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วเนี่ยความอดทนก็สูงทีนี้ในขนาดนั้นนพอสดแสดงธรรมคุณของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยนะ ถ้าแสดงธรรมที่เกี่ยวกับคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาไล่ไปตามลำดับนี่เป็นเรื่องที่อย่างยกตัวอย่างนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นแต่ช้าทรงปทรงปฏิบัติสรีละเช่นล้างประพักเพื่อให้ภิกษุอุถาถคได้ถวายปรนิบัติและเมื่อพระสรีละมีความผาสุกแล้วก็ทรงประทับยัยบยั้งอยู่นอาสนะเงียบสงัดจนถึงเวลาเสด็จออกบิณฑบาต พอถึงเวลาเสด็จออกบินบาศาก็จะทรงนุ่งอันตราวาศกปคตเอวแล้วก็ทรงหมจีวรก็ถือบาทบางครั้งก็เสด็จไปพระ อ, องค์เดียวบางครั้งก็มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมติดตามเสด็จไปบินบาศายังหมู่บ้านและนิคมบางครั้งก็เสด็จไปตามปกติบางครั้งก็เสด็จไปอย่างมีปฏิหารหลากหลายเขาแสดงลักษณะอย่างนี้นะแสดงคุณพระเจ้าเวลาเสด็จไปอย่างมีปฏิหารเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปบินาบาตก็จะมีลมพัดโชอยอ่อนอ พัดนําหน้าแผ่วเพื่อจะแผ่วถางทางเลยนะปัดฝุ่นพระสุดท้ายสะอาดหมดจดและอองฝนก็ลอยเป็นเพดานอยู่บนเบื้องบนโปรยปลายละองน้ําลงมาระงับฝุ่นในขนทางนั้นแล้วก็จะมีกระแสลมพัดหอบดอกไม้นานาพันุโรยตามระยะทางที่ทรงเสด็จไปภูมิภาคก็จะเต็มไปด้วยนะก็จะมีที่ดอนก็ดีก็จะลุ่มลงมาที่ล่มก็จะ สูงขึ้นมารับพระบาทของพระบรมศาสดาที่ที่เป็นขุกขระทั้งหลายก็เสมอราบเรียบในขณะที่ทรงย่างพระยุโคลนบาทก็มีอิทธปุุมชาติมีสัมผัสที่นิ่มนวลด้วยพ่อนคายรองรับพระยุคลบาทของพระบรมศาสดานะพระพุทธรัศมีทั้ง6ประการกล่าวคือฉับพันในลังสีก็แผ่ออกเฉพะาะวกายพุ่งวอบแวบไปหมดแสงจับบ้านเรือนสีทองเต็มไปหมดงามอย่างวิจิต ที่เป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ถามว่าก็ก็จะพารนาความงดงามของพระบรมศาสดาในขณะที่จาริกเสด็จบินธบาต ท, ทีนี้ท่านพอพารนาในลักษณะบุคคลที่มีความเข้าใจเหตุและผลเป็นอย่างดีเขาฟังแล้วก็มีความสุขใจมากเพราะฟังคุณของพระบรมศาสดาว่าพระบรมศาสดานี้หลากหลายมากทีนี้วันนั้นเป็นวันอุโบสถท่านก็พารนาพระมหาพุทธคุณของพระสัมมา มาสามพระเจ้าพรรณนาถึงคุณของพระเจ้านะเริ่มตั้งแต่ตอนหัวข้ามปฐมยามจนถึงปัจฉิมยามแล้วกล่าวตอนสุดท้ายบอกอีทัมโวจากพระขวารเป็นต้นบอกว่านี่เป็นสังเขปคาถานะแสดงพระคุณโดยย่ อ, อว่างั้นโดยย่ อ, อ, ขอเขาแสดงสิบสองชั่วโมงบอกนี้อาตมาแสดงมานี่แสดงโดยย่อ12สองชั่วโมงนี่นะแสดงคุณของพระเจ้าโดยย่อพอพอจบปุ๊บหกโมงเช้านี่นะ ก็ได้ยินสาทุสาทุสาทุสามครั้งเสียงนั้นซึ่งมีอํานาจประหลาดในการให้สุดสาธุการขึ้นในสุดที่สุดของบริษัทในขณะที่พระผู้เป็นเจ้าของแสดงธรรมจบลงเหล่าพุทธบริษัทและพระเถระก็มองไปยังเสียงที่สาธุการนั้นก็ได้เห็นบุรุษคนหนึ่งสูงใหญ่ยืนอยู่ที่สุดถึงบริษัทของพระเถระพระเถระจําได้ว่านี่สมเด็จพระเจ้าสิทธาติสมหาราชกษัตริย์ปิณทรนิก ก็เจ้าเป็นดินลังกานีอย่างนั้นก็เลยบอกขอถวายพระพรมหาบาพิษพระราชสมภารเจ้าสเสด็จยืนอยู่เส้นราตีสามยามชะนี้ยากที่ผู้อื่นจะทำได้พระเทลาก็กล่าวชมไม่ใช่นั่งอย่างนี้ด้วยนะยืนปนมมือเอาไม่เดี๋ยวมาลองแสดงสักชั่วโมงหนึ่งให้ทุกคนยืนปนมือฟังทำลองดูไหมดีไหมดีเลย นาทดลองไปแล้วโอ้ยยืนประนอมมือฟังอะอะไรนะ่ท <c oughs> <c oughs> ีนี้แต่นี้ก็เลยบอกบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระพระาชาก็บอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าอันการที่จะยืนฟังพระธรรมเทศนาอยู่ตลอดสามราตีสามยามนี่เนอะสามยามเนี้ย ตั้งแต่ปฐมยามมาฉิมยามปัจฉิมยามเนี่บสองชั่วโมงเชน่นี้หาสู้เป็นอะไรไหมว่างั้นไม่ใช่ยากเลยไม่ใช่เป็นเรื่องอยากสําหรับโยมเลยนะแต่ข้อซึ่งโยมที่ตั้งใจฟังได้จนจบไม่ได้ส่งจิตไปทางอื่นเลยเนี่ยอันนี้ยากที่บุคคลอื่นจะทําได้โดยยากว่างั้นโยมเชื่อว่าคงไม่มีใครทําได้อย่างโยมเท่าไรล้อว่างั้นนะ ที่ฟังทุกคําเลยอ่ะยืนไม่ไม่ใช่ยืนอย่างเดียวนะจิตก็จดจ่ออยู่กับกระแสรพระธรรมเทศนาทุกคําเลยไม่ได้พากใจออกจากเสียงนั้นเลยอ่ะไม่ได้ส่งใจไปเอื่นเลยน้อมฟังทุกคําพูดทุกอัตถะทุกพยัญชนะว่างั้นก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาของพระเจ้านี่นะในยาม น, นี้ก็เกิดปรีดาอภิรมชื่นชมยิ่งนัก ไม่ได้ส่งจิตไปในทั้งอื่นเลยนะพระคุณเจ้าว่างั้นนะอ๋อแล้วพอทําเทศนาแสดงสรรเสริญเนี่ยลึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งมากว่างั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราที่พระคุณเจ้าแสดงมาเนี่ยสิ้นเพียงเท่านี้หรือว่างั้นนะเออถามว่าคุณของพระเจ้ามีเพียงแค่นี้ใช่ไหมพุทธคุณนั้นยังมีอยู่อีกประการใดขอพระคุณเจ้าโปรดช่วยชี้แจงยกอุปมาเห็นด้วยเถิดบอกยังไม่อิ่มเลยเนี่ย สิองชั่วโมงที่ฟังมาว่างั้นเถอะพระเถละก็บอกขอถวายพระพรพระคุณแห่งสมเด็จพระบระมโคูพทธเจ้าที่แสดงมาตั้งแต่หัวค่ําจนอรุณขึ้นเนี่ยยังมีอีกมากยังมีอยู่มากเหลือที่จะคนานับได้ว่างั้นนะมากแค่ไหนว่าพระคุณเจ้าใช่ไห้เขาถามบอกเออมากแค่ไหนพระบรมพระกรษัตริย์ก็ถามพระราชาพระกษัตริย์ก็ถามบอกว่าด้วยความเต็มตื้นด้วยความศรัทธานในพระคุณ ขอพระคุณเจ้าจงแสดงพระทธคุณทั้งปวงให้ยอมเข้าใจด้วยเถิดพระกาลพุทธรักษิตาที่เป็นพระอาหารได้สดับพระบรมราชาองค์การดังนั้นก็ถวายพระพรว่าขอถวายพระพรเนยพระราชสมพิสพระราชาบอกพิสมพานเจ้าบอกว่าพระทุคุณอันประเสริฐเนยเขาบอกว่ามีอยู่มากมายเขาบอกว่าถ้าจะมาณย่างมีบุุษคนหนึ่งนะเข้าไปสู่ท้องนา เมื่อไปถึงที่นาเปเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เคียวเนี่ยไปเกี่ยวตัดเอาไอ้ข้าวสาลีมา1หนึ่งรวงบอกว่าข้าวหนึ่งรวงนั้นแหละคือพุทธคุณที่อาตมาสแสดงตั้งแต่ต้นจนจบในคืนนี้แต่มเมล็ดข้าวที่เหลือในชมพูทวีปทั้งหมดในโลกใบนี้ทั้งหมดนั่นแหละคือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมายังไม่ได้นำมาสแสดงวง้โอ้โหพระราชาพระพราชามหาษัตย์นะ พอฟังอย่างนี้เบสเซ็ก็สาทูสาทูนะบอกว่าโอ้โหแบบนั้นคุณของพระทเจ้าเนี่ยมีมากมายนักขอให้พระคุณเจ้าจงอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหน่อยเถอะว่าสามารถอุปมาคุณของพระสามาสมพระเจ้าให้มากกว่านี้ได้ไหมพระเถระก็บอกว่าเปรียบเสมือนบุรุษคนหนึ่งนะถือเข็มไปในมหาสมุทรไอ้เข็มเนี่ยนะเมื่อถือไปแล้วถึงมหาสมุทรก็ใช้ เข็ม e ไอ้ก้นของเข็มที่มีรูเล็กๆอะ่ะปักลงไปในมาหาสมุทรนั้นน้ำที่รอดรูเข็มนั่นแหละคือพทุทธคุณที่จตมาสแสดงมาสิบสองชั่วโมงแสดงได้แค่นี้แต่คุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าน่เหมือนน้ำในมาหาสมุทรพอบอกแล้บอกวสาทุยาแต่ี้ก็าบอกว่าขอพระเถราชเนี่ยจงอุปมาให้ยิ่งๆขึ้นไปหน่อยเถอะ ท่านก็บอกเปรียบเสมือนสกุลชาตินกแอนลมตัวน้อยนะที่บินล่อนล่าเลงเนี่ยนะในนภาอากาศไอ้พื้นนภาอากาศที่นกน้อยๆเนี่ยนะใช้เหยียดปีกก็ดีเหยียดหางก็ดีเนะี่ยมีประมาณน้อยนักหนานะที่ถูกปีกและหางของนกแอ่นลมตัวน้อยอนะที่ต้องลมต้องอากาศเพราะงั้นที่ต้องลมเนะี่ยต้องอากาศเนะี่ยน้อยนัก พุทธคุณที่อาตมาแสดงในลาตีนี่ในคืนนี้ก็นั่นแหละถ้ากันก น, น้อยตัวนั้นแหละใช้หางใช้ปีกนั่นแหละต้องลมต้องอากาศแต่อากาศทั้งหลายที่ในจักราวาลทั้งสิ้นนั่นแหละพุทธคุณที่ยังเหลือที่อาตมาภาพยังไม่ได้นำมาแสแดงพอพูดอย่างนี้พระราชามหาตรา์รรก็คุกเขา่าเฉยง ก็สาธุสาธุกับะโมตัสสะพระกวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำตาไหลน้ำตานี่ไงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไหมล่ะยิ่งใหญ่มากฉะนั้นเราทั้งหลายเนสสี่ยมีโอกาสที่บอกว่ามานั่งสวดอรหังสัมมาบอกอรหังเป็น สัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตรโรกุตูพุทธคุณกล้าประการมีอรันเถคนเป็นต้นเนี่ยปราศจากมนทินอันหมู่มนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายกล่าวว่าเต็มท้องฟ้าเต็มแผ่นดินแผ่ไปแล้วในหมู่ไตรไทโทไตรเทพนะพราะพุทธคุณเนี่ยบริสุทธิ์กว่าคุณนะนะเออบริสุทธนะิ์นียมีพระคุณที่ไม่มีที่ไม่พึงคิดในชั้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นมีมาก มีมากนะหาที่จะขนานับเออถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าพระบรมา ศ, ศาสดานี่ทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาอย่างยาวไกลในการที่จะตัดสุญญุตรสัมมาสาาัมโพธิญาณใช่ไหมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าบำเพ็ญบรารมีมาเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางและตอนปลายเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ย ห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดพระองค์เมื่อท่นานได้รับพยากรณ์ก็เป็นนิยนิยตาโพธิสัตว์แล้วก็เฝ้าสั่งสมอบรมพระบารมีมาที่สุดจริงๆก็คือประกอบด้วยพุทธภูมิธรรมทั้งสี่ประการเที่บอาอุสาหะ พระโพธิสัตว์นั้นหลังจากได้รับพยากรแล้วก็สมาทานอุตสาหะในพุทธภูมิพยากรด้วยจิตของตนที่ประกอบไปได้วยอุตสาหะมีความเพียรพยายามในการสร้างพุทธบา ร, รมียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติไม่เคยหยุดเลยประการต่อมาก็อุมมัตตะก็คือหลังจากได้รับพยากรก็สมาทานอมมัตธรรมพยายามยังจิตของตนให้ประกอบไปได้วยปัญญานะีให้มี ปัญญาเชี่ยวชาญหารกล้าเชียบแหลมเพื่อยังพุทธบา ร, รมีให้เจริญยิ่งตลอดทุกภพทุกชาติประการต่อมาอาวตาร น, นะหลังจากได้รับพยากรแล้วเนี่ยจิตของตนเองประกอบไปด้วยอธิษฐานที่มั่นคงจะไม่ถอนความตั้งใจยังเด็ดขาดมีแต่จะเพียนพยายามให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่หวั่นไหวไม่ครรครแคลในการสร้างพุธบา ร, รมี ประการต่อมาก็หิจริยาก็คือหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วสมาทานหิาจาริยาพุทธธรรมพยายามยังจิตของตนให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นให้มีความสงสารให้มีเมตตากรุณาสงสารบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตถถว์ทั่วหน้าเป็นนิสตลอดทุกภพทุกชาติให้สังเกตดูเวลาสร้างบา ร, รมีนะเช่นในพระชาติที่สร้างในทานบา ร, รมีและศีลบา ร, รมีเป็นต้น เพราะพอดิสัตว์เนี่ยเห็นโทษนะเห็นโทษในการไม่ให้แล้วก็เห็นโทษในการไม่มีศีลว่าสัตว์โลกที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยเพราะกิเลสทั้งหลายเพราะไม่มีเครื่องป้องกันก็คือศีลใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยเดือดร้อนกันวุ่นวายเพราะไม่มีเครื่องป้องกันก็คือไม่มีศีลมีแต่คนที่ไม่มีศีลเป็นส่วนมากการที่ไม่เพนบำเพ็ญศีลบาลามีนี่แหละ ทำให้เราไม่อาจจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนภพได้และในชาติหน้าในนาคตเป็นต้นได้ทำให้เราไม่ได้สิ่งที่ปรารถนามีแต่ได้รับการตีเตียนขาดสติขาดสมบัติชัญนะด้วยไม่มีมิตรเข้ากับใครก็ไม่ได้เมื่อเข้าเมื่อเข้าไปไปก็รู้สึกเก้อเขินจะเป็นบัณฑิตดยได้อย่างไรท่านก็พิจารณาอย่างนี้นะจะบรรลุ ค, คุณธรรมั้่สูงได้อย่างไรจะพาสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกได้อย่างไร เพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลจึงเป็นผู้เห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีลก็เริ่มบำเพ็ญศีลบารมีอย่างจริงจังเลยทีนี้ให้สังเกตดูพระโพธิศัตว์เห็นอนิสงส์เห็นไหมพิจารณาอนิสงส์ว่าศีลเป็นน้ําล้างชําระมลทินคือราคาโทสาโมหะสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีศีลเนี่ยราคาโทสาวโมหะก็แปดเปื้อนในกระแสของความคิดแต่ออศีลนี่แหละจะเป็นน้ําชําระล้างมวลทินคือราคาโทสาโมหามานะ ที่ไม่สามารถถูกกําจัดได้ด้วยแก่นจันทร์หอมหรือจันเหลืองเป็นต้นเหล่าเนี้ยศีลเป็นเครื่องประดับอันวิเศ ษ, ษ, ษของคนดีทั้งหลายใช่ไหมใช่เครื่องประดับภายนอกก็ใช้เครื่องประดับที่ดีงามไหมแต่ศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่วิเศ ษ, ษไม่ทั่วไปเป็นเครื่องประดับของชนเป็นอันมากมีสร้อยมุกดามงกุฎต่างหูเป็นต้นอันนั้นอันนั้นศีลเน่ยเป็นเครื่องประดับที่เลิอกว่านั้นอีกเยอะ ศีลมีกลิ่นหอมพุ้งไปทั่วสารธิศเหมาะทุกการด้วยแม้นเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญสำหรับคนที่มีศีลศีลมีอํานาจคนที่มีศีกลก็ไม่โลภไม่โกรธและก็มีปัญญาจึงมีอํานาจเพราะนํามาซึ่งคุณธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายแม้มนุษย์เทวดาก็กราบไหว้ก็บูชาศีลเป็นบันไดก้าวสู่เทโวโลกทุกชั้นเอาสิ ถ้าปรารถนาจะไปจาตัวมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานระดีปณี ม, มิตรสวสวัสดีหรือจะไปพรหมโลกเขาจะถามว่าคุณมีศีลไหมเอาแค่มนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีลหมดสิทธิ์บอกอย่ามาอย่ามาเอาซิเรามาได้เพราะศีลนะแต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมังสะ ร, ร, ร, ระณังก็ฉามิไม่มีศีลเนี่ยเราจะรักษาแชมป์ไม่ได้นะรักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้ที่สจริงเราก็ตกเต๋อ ศีลจึงเป็นบันไดก้าวสู่สุคติทุกชั้นปราถนาสุคติไม่เลวศีลที่ส่วนจริงจะไปนิพพานได้ก็ศีลศีลเป็นอุบายบรรลุฌานเราจะได้ปฐมฌานทุติยฌานตัิยฌานจะตุทะฌานจะได้รูกฌานและจะได้พิญญาเนี่ยเขาจะถามมีศีลไหมถ้าไม่มีศีลไม่มีสิทธิ์ศีลเป็นทางให้บรรลุพระนิพพานาเอาต้องการพ้นทุกใช่ไหม บันไดแรกยังไม่ได้เลยจะพ้นทุกยังไงฉะนั้นศีลนะเป็นปัจจัยต่อาการได้พระนิพพานศีลเป็นที่ประดิษฐสถานของสาวกโพธิญาณเอปรารถนาสาวกใช่ไหมก็ต้องถามว่ามีศีลไหมถ้าไม่มีจารีศีลวาลีศีลดังที่ได้กล่าวมาเมื่อวันก็เมื่อวานเนี่ยไม่ได้พูดจารีศีลไม่มีอ่ะวาลีศีลไม่มีข้อห้ามงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการไปพูดผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอเป็นต้นหมดศีล จ, จะได้สาวกโพธิญาณก็ไม่ได้ เป็นภาษาวกก็ไม่ได้เป็นปัจเจกขปทิยานก็ไม่ได้สำมาสัมโพธิยานก็ไม่ได้มมไไดฉะนั้นศีลจึงเป็นที่ประดิษฐานของสาวกโพธิยานปัจเจกขปทิยานและสัมมาสัมโพธิยานศีลเป็นแก้วสารพัดนึกเป็นต้นกระเบื้องพึกเป็นต้นเพราะเป็นอุบายให้ให้สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการสําเร็จได้คนมีศีลปรารถนาอะไรก็สําเร็จ จำไว้ถ้าต้องการจะไปปราถนาหวังอะไรเนี่ยถามว่ามีศีลไหมถ้าไม่มีศีลก็คือคนไม่มีศีลท่านอุปมาเหมือนจันทานปราถนาเป็นจักรพรรดิแต่ถ้าคนมีศีลเหมือนราชกุมารที่ปราถนาจักรพรรดิราดมีสิทธิ์ได้ด้วยเหมือนราชกุมารเนี่ย ฉะนั้นวัดกันว่าตอนนี้ศีลมีอยู่ในกระแสะชีวิตไหมถ้าเจตนาสีนเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลคือตัวกุศลศีลถ้าไม่มีเนี่ยปราถนาจนปากฉีกตึงหูก็ไม่ได้ใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้านะ บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเนบัตรนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตละธรรเจ้าได้ทันทีอันนั้นท่านพูดถึงคนมีศีลหรือคนทุศีลต้องมีศีลคอยครอบครองข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขคอยบ้านคอยพ้นจากอุปสรรคอันตรายอันนั้นเป็นคนมีศีลหรือทุศีลต้องมีศีลถ้ามีศีลเป็นแก้วสารพัดนึกปรารถนาอะไรก็สําเร็จ พระพุทเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่างสาเร็จเพราะศีนบริสุทธิ์แม้ข้ออื่นก็ตรัสออกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายหากพิกษุพึ่งหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องกังเพื่อนพรมจาลีทั้งหลายภิกษุผู้ทําความบริบูรณ์ในศีนทั้งหลายนั่นแหละดูก่อนอ น, อนุนศีลที่เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนเป็นประโยชน์นี่ยดูก่อนก็ทำบุญดีทั้งหลายไอ้สอหประการอย่างนี้สําหรับผู้มีศีลก็คือว่า พิงพิจารณาคุณของศีลว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโทษของการปราศจากศีนก็ให้พิจารณานะว่าเอออิติปราโมตทั้งหลายเหล่าเนี้ยมาจากความมีศีลเป็นต้นผู้มีศีลย่อมไม่มีไ ม, ไม่ไม่ตีเตียนตนและวิญญูชนก็กล่าวโทษไม่ได้ผู้มีศีลย่อมจะพ้นจะภัยนะละจะพายทั้งหลายเนี่ยอาชญาทั้งหลายทุกขติทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้น นี่มาจากศีนั้วิญญยชนทั้งหลายก็เสะเสริสรนุนผู้มีศีนมีธรรมงามผู้มีศีลก็ไม่มีความเดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนใจย่อมเกิดแก่คนทุศีนต่างหากใช่ไหมลองถ้าไม่มีศีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนคนมีศีลไม่เดือดอว่าเราได้ทําความชั่วไว้ศีลชื่อว่าเป็นฐานแห่งความสวัสดีตั้งเพราะตั้งใจโดยความไม่ประมาทคนที่เขามีศีลเพราะเขาไม่ประมาท คนมีกลัวตายัหมไม่กลัวหรอกนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเล่าสักเรื่องหนึ่งจะทันหรือเปล่า<ๆ>เวลาเท่าไหร่และกี่นาทีเอาเรื่องศีลประกอบถ้าองจางจะแยกแยะอนิสงส์เดี๋ยวตอนภาคบ่ายเขาจะมีการประชุมแยกแยะอนิสงส์นะจะให้ทางาทคณะครูอาจารย์มาแยกประเด็นระหว่าง ผู้ศีลจะได้อะไรมีศีลจะได้อะไรจะบอกอนิสงค์ของการมีศีลและโทษของการไม่มีศีลจะบอกเหตุบอกผลให้เขาบอกเหตุบอกผลและอธิบายทุกข้อเพราะเดินกลุ่มย่อยให้ครับแต่ขอเล่าเรื่องศีลในเรื่องการบำเพ็ญศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ย สมัยหนึ่งพ ร, ระบรมาศ า, าสดาประทับอยู่ที่เชตาวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถเศรษฐีนในกรุงสาวัตถีในการนั้นอุบาสกบาศิกาพวกหนึ่งก็พากันไปรักษาบุตรศรีในวัดนั้นในวัดเชตาวันอ่ะถามหน่อยเคยรักษาบุตศรีกันบ้างไหมเนี่ยเคยไหมเคยไม่เคยเก่าคางซะแล้วเคยไม่เคยเคยรักษาบสถรศรีไหม เกิดมาก็เป็นคนกับเขาเคยรักษาวบวสสัวสดศีลไหมอ๋มอเคยโอษฐ์อยู่เคยไหมที่หน้าข้างหน้าเคยไหม ย, ยังไม่เคยเลยเนาะเราไปดูนะหลายเรียดต้องไปฮะไปต้องที่จริงน่าจะมีกิจกรรมวันพระทีก็มารักษาวบวสสัโสดศีลกันดนะีเดี๋ยวต่อไปเน้่ยลดทานสมาทานดีัหมเพราะวันพระทีก็รักษาวบวสสัวสดศีลเนี่ยสบายลย ปกติทําเป็นวัดน้อยอยู่ตรงนี้สักวัดนึงพุทธเจ้าก็บอกว่าทรงเทศนาแก่วารสกและบาสิ ก, กาเนีบอกดูก่อนอุบาสกบาสิ ก, กาทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายเข้าอยู่รักษาโบสถเนี่ยกรรมนี้เป็นความดียิ่งนักพุทธเจ้าท่าด้บอกกุศลกรรมนี้เป็นกรรมดีๆยิ่งนักเป็นกรรมที่น่าสรรเสริญเรื่องนี้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยกระทามาแล้วเหมือนกันว่างั้นนะ ไม่ใช่แต่พวกเธอที่ทําอย่างนี้หรอกแม้บัณฑิตแต่โบราณก็กระทํามาเหมือนกันครั้งดึกดําบันนะพระเจ้ากรุงอังคติราชทรงกองราชสมบัติในแคว้นอังคะในระหว่างแคว้นอังคะกับแคว้นมคตนั้นเนะี่ยมีแม่น้ําจําปาเป็นพรมแดนที่ยอดน้ําจำปานั้นก็มีนาคมีพญา น, นาควันก่อนก็มีพญา น, นาโคโผล่ขึ้นมาก็ออกข่าวใหญ่บอกโอ้โหมีความยาวตั้งเป็น เลยรอยเม็ดใช่ไหมนี้พญานาคชี่ว่าจำไปยาักษา์นาคขลาชคลองราชอยู่ในนาคพิพพนะัตามปกติกแฝนอังคากับแฝงมาโคตเนี่ยเป็นแคฝนที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่ต่างมีกําลังวังชาด้วยกันทั้งนั้นต่างก็เป็นศัตรูสู้รบกันไม่ได้ขาดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในสองเมืองเนี่ยนะบางครั้งแฝงมาโคตก็ตกเป็นเมืองขึ้นของแคฝนอังคา บางครั้งแคว้นอังคาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคตในยุคพุทธกาลนั่นเองแคว้นอังคาก็รวมอยู่ในแคว้นของมคตด้วยสมัยของพุทธกาลนี่เนียมีพราหมณ์เป็นผู้ครองเนี่ยเขาเรียกว่าโดยพรหมไทยของพระเจ้าพิมพิสพิมพิสารก็คือส่งเจ้าเมืองไปอยู่ว่างั้นเถะให้เป็นเจ้าปกครองแต่ว่าอยู่เป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธนะเนี้ย ในครั้งพุทธกานั้นคราวหนึ่งแควนังค่ารบชนะแควนมาคตรพระเจ้ามาคตเสด็จก็คือได้ม้ากันหนีหนีออกจากที่รบฝ่ายข่าศึกก็ตามไปนะในระหว่างพระเจ้ามาคตก็เห็นว่าถ้าจะหนีไปไม่พ้นก็คิดจะกระโดดน้ําตายเสียดีกว่าจะโดนจับฆ่าเนี่ยตกลงว่าไทยแล้วก็ควบม้าลงไป น, ไนี่ในน้ําจ้ปลาเพราะตรงไปในน้ำพอดีตรงนั้นเน่ยเป็นอะไรเป็นป่องช่อง นากาิภพเมื่อพระเจ้ามาคตตกลงไปถึงนาคกระพิภพนัาา้พนะพยานาคนี่นะพญาจำไปยากาะนาคขาดได้ทอดพระเนตรเห็นดีพระไทยดีพระไทยก็ออกมาต้อนรับนะต้อนรั บ, ร, บรับเชิญให้อยู่ในนาคกระิภพเมื่อทราบถึงเหตุที่เสด็จมาก็ทรงปลอบโยนพระไทยบอกว่าใต้ฝ่าพระบาทไม่ต้องไปตะหนักหรือทุกข์ใจหรอก ขอให้ทรงบรรเทาพระไทยเถิดหม่อมชันจะช่วยให้ฝ่าพระบาทเป็นอิสระภาพว่างให้เป็นอิสระแก่แคว้นทั้งนี้โดยอุบายของหม่อมชันนะ่ะขอให้เบ่าพระไทยเถิดแล้ปัญญากรบปรุงบำเลพระเจ้าแคว้นมคตเจดวันดูแลอย่างดีเนี่ยนะต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็เสด็จกลับมายัางแคว้นมาคตแล้วช่วยให้พระเจ้ามาคตจับพระเจ้าอังคาราได้ปโปรดให้สาเร็จโทษเสียแล้วก็พา แล้วพระองค์ก็ทรงปกครองแควน้นนะทั้งสองตลอดมาทีนี้พระเจ้าแควนมคตก็รู้สึกพระองค์ว่าความสําเร็จครั้งนี้ได้อาศัยพญา น, นาคเป็นสําคัญคิดจะสนองตอบแทนคุณของพญา น, นาคของงั้นให้สมใจก็โปรดให้สร้างมณฑปแก้วก็ไว้นับฝั่งแม่น้ําจำปาให้เป็นที่สถิตของพญา น, นาคเมื่อถึงปีก็ให้ประชาชนนะีแควนมาคตทําพีกรรม ก็คือบวงสรวงบูชาพญานาะคเป็นประจำตลอดมาเลยเนี่ยมีใ น, น, นต้นแบบการบูชาในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคนเข็นใจจากคนเข็นใจไปโยนคนจนเนะี่ยเป็นคนจนนี่แหละได้ตามเสด็จไปพร้อมกับมหาชนได้เห็นสมบัติของพญานาะคโอ้โห หน้าทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยอนเคยถามจริงเคยเคยเห็นอเศรษฐีเขาเลี้ยงสุนัขไหมขาไหมเคยไปเชีงยงใหม่ไหมเคยไปดูหมีแพนด้าไหมเคยไหมอยากเป็นไหมอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นที่รบบรีนี่มีลิงอะไรนะ้ เลยอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นนี่พระโพธิสัตว์เนี่ยได้เห็นสมบัติของพญานาคราดปรารถนาได้สมบัตินั้นเนี่ยตั้งใจทําบุญให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาไม่ขาดคือปรารถนาหน้ากระพิภพด้วยความเข้าใจนเนี่ยดูสิเนี่ยออปรารถนาเลยเพราะมีฤทธิ์เนี่ยพญานาคมีฤทธิ์ พอจำเปาาิดยกรหน้าคลาทำการกิจยาตายไปได้สองวันพระโพธิษัทก็ถึงแก่กรรมเงินที่เป็นคนเข็นใจเนี่ยนะได้ไปบังเกิดในหน้าคคพบสมความปราดหาร่างกายของพระโพธิษัทเนี่ยนะนั้นใหญ่โตสีขาวปานดังดอกมะลิองงามก็อีกเมื่อเติบโตรู้ตัวว่ากลับได้ความลํำคาญในสมบัติโอ้โหน่าลําคานยิ่งเนี่ยน่าลําคาญมาก คิดเห็นว่าโอ้โหอิสริยยศเช่นนี้ก็เหมือนอย่างข้าวเปลือกที่เขาเก็บไว้ในช้างนั่นแหละเพราะงั้นเหมือนข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งอะ่ะด้วยผลแห่งบุญที่เราได้บำเพ็ญมาเราจรึงมาเกิดในสถานที่อย่างนี้แต่กลับได้กําเนิดสตัตวราจฉานอพญานาคเป็นสัตว์อะไรเ <c oughs> รัจานไม่เห็นมีประโยชน์เลย อย่าอยู่เลยตายซะเลยดีกว่าท่านคิดเนะี้ยจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์วงให้เป็นเทเวดาต่อไปแล้วก็จะได้บําเพ็ญกุศลเพื่อโพธิญาณต่อไปคิดตอนนี้แล้วก็เฉยอยู่ท่านเบื่อท่านน่ะไม่อยากตายเกินเลยเนหะมือนคนเบื่ออัตภาพเนี่ยฝ่ายนางเนี่นะนางนาคมานวิกาทั้งหลายนี่และภรรยาทั้งหลายก็มาแล้วมากเเ็เป็นแถวเป็นแถวนางสนมอ่ะอะเวลาเขาอยู่ในนากรีพเนี่ยก็แปลงกายเป็นมนุษย์ไหม เออเป็นมนุษย์มีนางสมมนสมนาเทวีเป็นต้นเป็นหัวหน้าได้เห็นนะ้ากับกริยาของบริษัทก็คิดว่าอู้ชลอยมานบนาคเ น, นี่ยนะจะต้องเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เป็นแน่แทะนางสมนาก็ชักชวนนางนาคทั้งหลายให้ช่วยกบรบมลบเลอพระ พ, นะ พ, พริษัทเนื้อทำนาคพิภพให้สนุกสนานปานประหนึ่งว่าดาวดึงเลย เอาละต่อไปเราจะมีกิจกรรมสนุกสนานเอาอกเอาใจเจ้านายใหม่เนี่ยนะก็ตั้งแต่นั้นมานะตั้งแต่นั้นมรณจิตของบริษัทก็เสื่อมคายคิดอยากตายก็เสื่อมแปลว่าอะไรอ่ะที่แรกก็เห็นเบื่อตนเองมาเป็นสัตว์ประชานมาอยู่อย่างนี้ทําไมต้องมาปกครองราชสมบัติอย่างนี้แหมแสนจะลําบากเกินอย่มะแล้วก็แหมอย่างกันเหมือนเขาเปลือกไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่สาระว่านั้นนะขยะทั้งนั้น คือท่านมองเสมบัตินี่ก็คือขย่างนั้นก็เ บ, เบื่อเบื่ออยากตายอยากตายเป็นมนุษย์เป็นเทวดายังได้สร้างบารมีเพื่อสัมมาสัมพธิยานดีกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้โหสร้างบารมีก็จํากัดฝึกตนเองก็คับแคบด้วยอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยจะไปบวชก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะได้ไหมล่ะหมดสิทธิ์เลยนะะให้สังเกตดูไหมเวลาจะบวชเขาถามว่าไงเนนมนุษย์โสซียเป็นมนุษย์หรือเปล่าแปลว่าปิดกั้นบอกเป็นหน้าห้ามบวช เป็นมียานาข้ามบวชตั้งแต่นั้นมามรณจิตคือจิตอยากจะตายของโพธิสัตว์ก็เสื่อมคายเบื่อน่ายในเพศนาคก็หายไปก็แปลงกายเป็นมโนประดับเครื่องอาพอร์ตามวิสัยของหงาหนากประทับอยู่ในนาคภพสวยสมบัติอันโอฬารจำเนียรการผ่านมานั้นนานนักหนาแล้วเกิดเบื่ออีกแล้วปตคนมีปัญญาจะเบื่ออะไรเร็วนะให้สังเกตดูนะเริ่มเบื่อครอบครัว ย, ยังเริ่มเบือ่อทรัพย์ยัง เริ่มเบื่อเกติยศหรือยัง<ม>เบื่อไหมหรือว่ายัางชื่นชอมอยู่อันนี้แสดงปัญญายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าปัญญาดีจะเบื่อเร็วนะคนมีปัญญาเนี่ยแต่ไม่ใช่เบื่อแบบโทศาส์นะเบื่อแบบปัญญาเห็นความจริงของชีวิตน่ะมีแค่ น, นี้เองชีวิตเนี่ยอันนี้จังเห็นไหมไม่เที่ยงเลยแต่เอาอันนี้จังมาเป็นจุดในการจุดชนวนตัวเองในการเดินศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเขาจะเห็นอันนี้จังแล้วปลุกเล้าตัวเองได้ทัน แต่บางคนเห็นความไม่เที่ยงก็ยังเมาอยู่นั่นแหละมึนเยอะนะไอ้เงี้ยไม่ใช่ปัญญาไม่ค่อยดีท่านก็เบื่อเนาะท่านก็เบื่อหนายในหน้าขาพิพบก็คิดจะปลีกตัวออกไปนะจากคาเนิดสเตเสตชานเนยจึงหาอุบายในการที่จะรักษาวโบสถศรีในวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำตามดิถีแห่งเดือนนั้นๆแต่นั้นก็คงประศ์เนะี่ยบอกว่าในปราสาทในหน้าขาพิพบนั้นนะ่ะหมู่นางหน้ากัญญาทั้งหลายก็จะแวดแล้อมบมเลอเราอ่างนั้น ไม่อาจจะทําศีลในบริสุทธิ์ได้เห็นไหมท่านเนี่ยคิดอยู่ว่าไม่เอาแล้วแต่จะมาให้บวชเนนอยู่ในโรงเรียนนี้ไม่เอาดีกว่าคิดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าการรักษาศีลก็ไม่ไม่บริสุทธิ์แน่นอนใช่ไหมมีแต่งานมีแต่การมีแต่อะไรต่างๆอยากกันนั้นเลยว่า ง, งั้นเราอยู่โชคคราวโชวครู่ได้แต่ถ้าอยากกันนั้นเลยอ่ะออกดีกว่าคิดอย่างเงี้ยพระโพธิสัยก็แค่นี้ก็คิคดจริงๆเอาไหมเจ้าจะให้พระมานั่งรักษาศีลอยู่ในโรงเรียนนี้ อยู่ไหวไหมเน้นก็ไม่ได้พาก็ไม่ได้ชั่วคราวได้ไหมเออมามานุเคราะห์นี่ได้แต่จะให้มาอยู่จําอยู่รักษาศีลเงี้ยไม่ได้แล้วอะไรก็วุ่นวายหมดแล้วก็โทรตามเดี๋ยวก็โทรตามเดี๋ยวก็ไปดูงานก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมลระไอนี่ก็ไอนี่ก็หน้าเบื่อหน้าเบื่อไหมก็จะมาอบรอมก็โทรเดี๋ยวก็อีกแล้วเนี่ยจะมาอบรอมเมเสร็จ พอถึงเวลาก็จะกลับจะกลับโอ้หน้าเบื่อมากไม่เป็นอิสระเลยชีวิตเนี่ยพอตะวันจะตกดินก็นหนอยวิ่งฟุ้งซ่านในใจแล้วกิเลสในใจวิ่งพุกพ่านเมื่อไรจะหมดเวลาเมื่อไรจะหมดเวลาโอ้หน้าวุ่นวายมากกว่างั้นอยากกันนั้นเลยอะเราหลีกเล่นดีกว่าชีวิตนี่น้าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหนายไม่เล่าทำไมเราต้องเป็นทาตุไอความอยากตัวเนี้ยไอความต้องการตัวเนี้เรารับใช้ไม่รู้จักจบจักสิ้นใช้เราจนจะตายอยู่แล้วเนี่ย โดยสํานวนเอื้อจิกหัวเราใช้ตลอดเวลาในกิเลสในใจเราเนี่ยเออประหลาดแท้เรายังก็เป็นทาสของเขาเนี่ยบอกถึงเวลาต้องกลับเพ้งเนีหูเดือดร้อนตายเลยเนะเพราะจะเจริญกุศลก็ยังกระชากกลับไปอยู่กับบาปได้เอื้อไม่ดีเลยก็คิดอย่างนี้เนะแล้วหมู่นางนากัญญาทั้งหลายก็แวดล้อมบ ม, มือไม่อาจจะรักษาจึงออกจากปราศาทตรไปอยู่ที่ยังอุทยานไปอุทยานแล้วนั้นก็ยังไม่สามารถจะรักษาได้อีก เรื่องจต้องจะออกจากนาคพุทโไปยังแดนมนุษย์ดีกว่าตั้งใจจะสละร่างกายโดยโดยฐานามุกบอกว่าใครมีความต้องการอาวัยวะของเราเช่นต้องการหนังของเราก็จงเอาไปต้องการเนื้อของเราก็จงเอาไปนี่เป็นต้นน่ยต้องการศีรษะของเราต้องการเลือดของเราเป็นต้นเน่ยก็จงถือเอาไปเถิดใครจะต้องการจับเราไปเล่นกีฬาก็เชิญเถิดตั้งใจเช่นนี้แล้วก็จึงไปนอนอยู่บนจอมปวก ออกมาแล้วนะตอนนี้นะออกมาจากนาคพิพพไปสมาทานสมาทานอุโบโสถศีลพอสมาทานศีลแปดเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนอนขดอยู่จอมปวกแห่งหนึ่งในแดนของมนุษย์แทบปัจจันตคามรักษาอุโบโสถศีลอยู่อันนี้แปลว่าอะไรการสมาทานสังเกตดวะเจตนาศีลคือความตั้งใจของพญา น, นาคเนี่ยถามว่าท่านเห็นศีลสาคัญกว่าทรัพย์ห เห็นศีลสำคัญกว่าทรัพย์เห็นศีลสําคัญกว่าวัยวะไหมเห็นอวัยวะทุกชิ้นท่านบอกศีลประเสริฐกว่าเลิศกว่าและเห็นศีลสําคัญกว่าญาติเห็นศีลสําคัญกว่าชีวิตด้วยทีนี้ก็ไปนอนอยู่บนจอมปวกพระโพธิสัต์นั้นน่ะนะคนทั้งหลายในถิ่นนั้นเห็นพระโพธิสัต์แล้วพากันเอาดอกไม้ของหอมไปบูชา บางพวกถึงจะทำประรำบางพวกก็เกลียดทรายพากันบูชาเป็นการใหญ่เห็นไหมบูชาเวลาเขามาบูชาเนี่ยพระบริษัทดีใจไหมไม่ใช่นะไปเทีย่ยวมโนมดีใจก็ไม่ได้ต้องวางใจถูกด้วยนะเพราะเมื่อฝ่ายพระโพธิสัต์ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำสิบห้าค่าแห่งเดือนนั้ น, น, นก็มานอนรักษาบนเสดตจศรีลอยู่นั่นแหละขดรวนจอมปวกนั้นต่อรุ่งขึ้นวันปาติกบทคาว่าปาติกบดวันเริ่มหนึ่งค่ำเนียเริ่มหนึ่งค่ำ ก็กลับมายังนากับิภพเขาเลยวันปฏิบบทครั้นการนานเข้านางสมณสมนาราชเทวีก็ทูนถามพญานาคบอกว่าที่พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ในถิ่นมนุษย์นะ่ะมีภัยรอบด้ามหากมีใครจับพระองค์ไปหรือมีใครประหารเสียหม่อมฉันจะรู้ได้อย่างไรถามเงเออถ้ามีใครมาจับไปมีใครมาฆ่าท่านเนี่ยฉันจะรู้ได้งไงโปดตรัสอุบายที่จะทําให้ฉันหม่อมฉันรู้ด้วยเถอดลำดับนั้น พระโพธิสัตว์นากราชก็บอกว่าพานางสมณ น, นาทวีเนี่ยนะไปยังสระน้ําซึ่งเป็นปากปล่องที่จะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วแจ้งว่าถ้าหากใครนะประหารเราให้ลําบากนะทาให้เราต้องลําบากน้ําในสระโบกกรณีจะขุนมั ว, มวทันทีว่างั้นน้ําในนี้นะพยาคุจับเราไปน้ําในสระนี้ก็จะเดือดพ่านขึ้นมาทันทีถ้าหมองูจับเราไปน้ําในสระนี้ก็ยังมีเสยสีแดงเป็นเลือด เมื่อได้แจ้งนิมิตให้นางนาคคเทวีนะทราบอย่างนั้นแล้วก็ส่งนางกลับไปนะตอนเองก็อธิษฐานอุโบสถศีลทีนี้ตามปกติในคราวนั้นมีมานพคนหนึ่งมีมานพคนหนึ่งเป็นชาวเมืองพระนศีป ร, ริยนบนอารำภายเนยะอารำภายในสมณของที่อาจารย์ทิสาปราโมกในตากศิราเดินทางกลับมาในทางนั้นเห็นหนาคราชจำศีลอยู่บนจอมปวกเห็นพญานาคนะ เออเห็นเบ็ดเสร็จนะสีสันสวยสดงดงามเหลือเกินว่างั้นก็คิดว่าถ้าได้งูนี้ไปเล่นกีฬานะถ้าจับนาคเนี้ยเอาไปแสดงกีฬาไปเล่นกีฬาจะทําให้เราล่ำรวยขึ้นมาได้ทันทีว่างั้นสรุปแล้วก็คืออาจจะลองวิชาแล้วต้องการจะรองวิชาต้องการจะจับนาคเนี่ยจับพญานาคเนี่ยเอาไปก็จะทําให้เราร่ํารวยได้ก็ตรงเข้าไปร่ายมนว่างั้นด้วยอำนาจมนต์ทําให้พวกวิษัตถ์ร้อนไปทั้งตัวเนะื้ ร้อนอย่างกเหมือนจะถูกเหล็กแดงจี้ร้อนมากพระบริษัทก็ลืมตาดูพราหมณ์ดูหมองูนั้นขันจะพ่นพิษใส่พราหมณ์เดีนี้จริงๆตนเองมีพิษเนะพราหมณ์ก็จะตายแต่ว่าศีลก็จะขาดเห็นไหมถ้าพ่นก็ตายศีลก็ขาดทำไงดีอ่ะก็หลับตาหลับตานอนรักษาใจไม่ให้โกรธ เอาหน่อยลองลองดูไหมเราไม่ต้องถึงขนาดให้เราเรา ล, ลสมาทาน ศ, ศีลเสร็จเสร็จปุ๊บให้เพื่อนลุกขึ้นมาแล้วเอาไม้ตีหัวโกรธเพื่อนไหม <c oughs> แล้วก็หลับตาเอาเถอะเพื่อนบอกเราจะรักษาศีลมาเราระวางศีลกับวิวะเอาอะไรเอาศีลนะก็นึกในใจบอกว่าเอาเถอะ เรารักษาศีลในครั้งนี้ใครจะทุบศีระเราให้ยุบเราจะเอาศีนไว้เราจะไม่เอาศาีระคิดนี้ได้ไหมก็ฝึกคิดอย่างนี้นอนนอนขดอยู่้ามหมองูก็จับจับปากมานะบีบแล้วก็ค่นยาใส่ทำาละเขี้ยวออกละเขี้ยว เที่ยวออกทบตัวรีดเหมือนกับพับผ้ารีดอย่างนั้นแหละรีดอย่างพับผ้าทำให้หมดฤทธิ์แต่พระบพธิษัทก็อดกั้นทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสไว้ไม่กโกรธแล้วหมอ ง, งูก็นำพระบพธิษัทใส่กับใส่ถุงใส่กับเทววันไปละใช้เทววันพอถึงหมู่บ้านปัจจันตคามก็ แสดงกีฬางูให้ประชาชนได้ชมก็มาเขาก็บังคับตีทุบให้แสดงให้แสดงให้แสดงกีฬาเพื่อเงินนี่ยต้องการเงินนี่ยนะทีนี้รวบรวมอาทรัพย์ได้รางวัลมากมายเนะ่ยเขาคิดว่าจะปล่อยพระบริษัทที่แรกเนี่ยเพราะได้เงินพอต่อความต้องการที่ตั้งใจไว้แล้วไอ้ความโลภมันเป็นอย่างนี้นะก็คิดใหม่ เออในหมู่บ้านปัจจันตาคามยังได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้เออถ้าแสดงในเมืองน่าจะได้มากเห็นไหมเห็นความโลภของคนไหมอยากนั้นเลยเอาไปแสดงตลอดถึงแสดงต่อพระราชาเราคงจะได้ทรย์มากว่างั้นนะแล้วก็ซื้อเกวียนเลยบรรทุกสิ่งของและน่าขับไปถึงเมืองใหญ่ก็กราบทูลเรื่องนั้นกับพระราชาพระราชาราบรับราชรับราชนุญาตจากพระราชาเบสเส็จก็เป่าประกาศให้ประชาชนเลยนะให้มาดูกีฬางูที่ท้องสนามหลวง บากันใหญ่แต่เนี้ยแสดงให้คนฝ่ายนางสมนาเทวีเนี่ยนะสมนานากเทวีเนี่ยเมื่อพระโพยสัตว์หายไปเวลาหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ออกติดตามไปถึงสระบกก็เห็นน้ําในสระเป็นสีแดงก็รู้ว่าพรโพยสัตว์ถูกมองงูจับไปแล้วถูกมองงูจับไปแล้วก็ออกติดตามไปพอเห็นกําลังแสดงกีฬาอยู่ ท, ที่ที่สนามหลวง เมืองของพระราณา์ศีพระเจ้าพระราณาสีได้แสดงตัวให้ปรากฏอยู่ในอากาศพระโพธิสัตว์กำลังแสดงกีฬา ง, งูอยู่นั่นแหละเห็นพรายยาวทะเด่นอยู่บนอากาศเลือเห็นนางสมณะหน้ากระเทวีนะก็อายแตเนี้ยอายก็หยุดแสดงทันทีแม้หมอ ง, งูจะตียังไงจะทรมานยังไงไปเสร็จก็ไม่ยอมแสดงนั้นหลบทําไมไนะอายน่ยตนเองเนี่ยมีฤทธิ์ขนาดนั้น เป็นอย่างพระราชาในเมืองหน้าเห็นอภรรยาตัวเองว่าตนเองต้องมาเต้นแรงเต้นกาใช่ไหมเขาให้ทําอะไรก็ทําแต่ใจไม่ได้น้อมที่จะเป็นกับเขาเนี่ยนะเขาให้แสดงเป็นสีเขียวแสดงเป็นสีเหลืองแสดงอะไรต่างๆก็แสดงปรารถนาขอให้เขามีทรับยขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทนแล้วนะเราตัดสั้นทำเหราได้พ้นจากว่าจะทุกข์ได้จะให้สัตว์เหล่านี้ตัดสั้ด้วยเนะี่ย คิดอย่างนี้นะเวลาแสดงนะเวลาโดนถูกทำร้ายโดยสัตว์คิดอย่างนี้นะบอกเนี่ยเวลาเขาบัตรทศร้ายปุ๊บเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราพ้นทุกข์แล้วจกให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยเป็นต้นตรงนี้สรุปประเด็นตรงนี้นะพ้นหมดเวลาเนี่ยสรุปให้ฟังก็คือว่าทีจริงเหลือเรื่องยาวก็คือสรุปอย่างนี้ว่าศีลที่เราจะไปถกกันในช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญกว่าทรัพย์ เป็นเรื่องสําคัญกว่าอาวัยวะกว่าญาติและกว่าชีวิตจริงๆเพราะดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยศีลเป็นแก้วสารพัดนึกก็หมายความว่าบุคคลที่ปรารถนาสิ่งดีๆ ง, งามให้กับตนเองทั้งหลายเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยสำคัญที่สุดฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยดูพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างว่าทําไมท่านต้องยอมลําบากยอมลําบากในการที่จะทําอย่างนี้เพราะท่านเห็นว่าศีลนี่แหละจะรักษากระแสชีวิตของท่านเนี่ย ให้พ้นจากอุปสรรคและพญาอันตรายเป็นต้นได้ก็หวังว่าตอนช่วงบ่ายเราจะมีการถกสนทนากันในเรื่องของจารีสีนขึ้นรัวลีศีนได้อย่างชัดแจ้งนะแล้วจะได้เห็นคุณของสีแล้วจะได้ไปดูอนิสงค์ของการมีสีลโทษของการไม่มีสีลเป็นต้นอย่างไรเอาละ ว, วันนี้ก็ช่วงนี้ก็สมควรเกยวเวลาขอโมูนากับเราทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการฟัง ประสบความสมหวังที่เป็นไปกร บ, บุญกับปุสนช่วงบ่ายก็จะได้ไปถกจงตั้งมั่นในคุณของพระราตรายียริงๆขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกประการเถอ